จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนากันได้บุคคลแรกก็คือบุคคลที่คอยเข้ามาเป็นประจำคือเด็กชายพีเค จำไน้วาสการกัาจารย์หมดนั้นวาสการกัอาจารย์พี่เคแปลว่าอะไรครับยังไม่รู้เลยโย่มาจากชื่อภนกวัฒน์เอบอกมาจารย์บกาจาย์สิทั้ย่มาจากชื่อภควัฒนย่มาจากชื่อภควัฒครับภคกวัเอีอนักขุนเอาลอเลยนเอาม่เออมันชื่อเหมือนว่าเด็กเกินเออโอเค ชื่อไม่ได้ทําให้เราดีด้วยชั่วนะรู้ไหมชอบชื่อพ k มากกว่าขอบริัทพีเคก็ไม่ไหนมันก็จะดีด้วยพีเนะพีดีเพราะทําดีนะรู้ไหมชื่อดีแต่ทําไม่ดีก็ก็ไม่ดีอยู่ดีอถ้าทําดีชื่อไม่ดีก็ก็ดีอยู่ดีเรายังไงดีเอาแบบไนี้ชื่อดีแต่ทําไม่ดีก็ไม่ดี โีกกอนนัชื่อดีทำดีก็จะดีอืมชื่อดีทำดีครับอ่ชื่อไม่ดีก็ได้ขอให้ทำดีไว้กันแล้วกันใช่ไหมได้ไหมอือทำอ่าถ้าใครเขาบอกว่าชื่อนี่ไม่ดีเลยไม่เป็นไรครับผมไม่ได้กังวลเรื่องชื่อเพราะว่าชื่อไม่ได้ทำให้ผมดีหรือไม่ดีอ่าการกระทำของผมเป็นการกระทำที่ทำให้ผมดีหรือไม่ดีเข้าใจไหมเช่นสชนมดได้หรือเปล่ามาชนม อารแม่อยากนอนจน้มตาสากน้ำมนตาสาก็น้ันผสมสีทีปสองแล้วก็้ตสะน้ำตสว่าตัตองสัมสสมตัสสกิทีปีสองพสอีเสพะ่อะม่ะไมะไม่ไดอมพอะไรอะไะ้ะ้ะมอะไรไะ้ดะไรไม่ไะ้ะมะะะะร อายอ่าอาตัเลยะน้อสตตันที่มาอย่ า, าี่่น้โมบดสตตันที่มาอี่กกกเตะสกเตกินกัแล้วนกเตส่พีน้อนี่นนมมาอ่หนงหตนหนันมอาุ่สจนตมเชปัโตเมตังบลชีวินันสกัโตตัวชิเจนเมตนีปตโต้ติวันนี้มาเป็นคาถาค่ะพระอาจารย์ภาษ า, าอะไรวะ คาถาสั้นๆนะคะพวกคาถาพยายมคาถาต่างๆภาษาญี่ปุ่นนะภาษาบาลีภาษาอะไรคะใช่ครับภาษาไทยออกภาษาบาลีเออไปเรียนมาที่ไหนแล้วแต่เกิดมาเราเพิ่งได้เพิ่งได้ยินวันนี้ฟังมาจากที่ไหนคะใครสอนแม่สอนนะใช่ครพอจรโอเคทำดีนะชื่อดีไม่ดีไม่เป็นไรนะ ขอให้ทำดีก็แล้วกันแล้วเราก็จะเป็นคนดีได้ไหมครับได้ขอบคุณคนดีคือต้องเชื่อแม่ไม่แม่เดีกับแม่ดีกันกลรบมาเมื่อสักครู่ก็ไปเลยทุกคนไม่มีเสียงเลยนะแบบไม่มีเสียงอืมข่าวพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มากับอาจารย์าโอเคน่าจัาเลนะ อย่าไปกังวลกับชื่อนะค่ะชื่อดีติดคุกก็เยอะนะชื่อบุญชื่อจจริญนี่ติดคุกเยอะนะค่ะพระอาจารย์แต่ตอนที่เปลี่ยนเข้าคลุ่ใหม่แยกที่ที่แยกย้ายกันหูเปลี่ยนใหม่ ท, ท, ยยยมหมทั้งชื่อทั้งนามส ก, กุลเลยพ่ะอาจารย์ไม่อยากไม่อยากจำชีวิตเก่าเลยเปลี่ยนให ม, ม่หมดเลยค่ะคือถ้ามันเปลี่ยนเพราะความมีเหตุมีผลก็ไม่เป็นไรอย่าไปเปลี่ยนภาพ อ, อารมณ์<า>ชีวิตเราไม่ดีเลยต้องเปลี่ยนชื่อใให้ดี เปลีย่ยนมันก็ไม่ดีแหละ ม, ม, มันต้องเปลี่ยนการกระทําของเราค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ทั้งประเทศมีนามสกุล น, นี้อยู่สองคนนะคุณเนี่ย<า>ค่ะอาจารย์อือค่ะโอเคสาธุขอบพระอาจารย์ค่ะอ่าได้ใช้เลนต่อได้ใช้เลนเลนส่งการบ้านเร็วขอรับเลนทานนมน้าําตาลน้ําตาลต่ำแป๊บหนึ่งก็ค่ะวางก่อนนะครับโอเค โอเคครับอ้าวกับนวัสการมลงตาก่อนลูกอ้าวเร็วคุณอ่านั่งโอเคอากาศอาจารย์ก่อนากาอยู่นี่อ้เดี๋ยวพระอาจารย์มองแล้วเก็บไว้ก่อนน้ำมาวางไว้จอดอากาศขอบคุณก่อนหน้ากากวิชโชฮัมโมสังโคอ่าว อสวบ้าคะจากตัสสานะะว่าตัว阿拉หัตตูสมาตูปุจจะสานโมตัสสาสหัตตูสมาปุจจะสานโมตัสสาาคือว่าตัหัตตูสมาตปุจะสานโมตัสสพตัหัตตสมาตุจจะโมตัสานตัหัตตูสสาตูรุสมนธรระอะรามาจิตโทผูทั้งผว้ทั้งม่ว่าจะมีนะโอเคค่ะทว่าเขาโดนพ่อตาทำโมทำังซามิ สุปฏ <Susan. S 2> <vai> ิสุปฏิปันโนผูตวสร้างสร้างคนส้มามิอ่าอะไรอีกดิจิิโซภาควาังสมาสมุโตวิชาจารานาสรัมโนสุขเตโรวิทุอานุตโรูวิญญาณสามังไรชาลติตัทธาเทวมันสราบนะพุทโธปะขาวิ สวสดีโตสค่ะานผ้ส so ันดิสโกอักกัลโกเอจิปัสโกอปนะยโกปจัตต yeah. ังเวทีจักรพุทธจุนติสุปฏิปันโนพุทธุสาวกสังขุสุขุสุปฏิปันโนพุทธุสาวกสังขุญายาปฏิปันโนพุทโตสาวกสังขุสัขนามามิจิสมีจิปฏิปันโนพุทธุสาวกสังสัขนามามิญาดีดาวญาติสองกาลโก โว้ะอ <laughs> ยาดีดังจตาเลยอยที่ังจักราที่ปุริ ส, สายุคลานี้นอเอสัวโตเอสัทข ว, วัวตโตสาวังทังคอูอ่ออหุเนยอหเนยบ่าหูเนยชักขีเนยอัอ น, ยอนชาลิกุรันนิยอนุตัังมุยักษเกตังลูกกสรติโอ้ความจำดีนะเด็กตัวนี้เดียว มุสอสันดที่ข้าเจ้าไทแล้วข้าพเจ้าของอทิสุนยุันนัยยามิจามภาษาทุกทัศท์บนหลายโลกและสตว์ความสแตสตตลอดไปร้ดกาิตใจด้วยก็ามมุสอุสที่ข่านีเป็นฝ่ายเพรยามไปเมอสุกันแล้วก็เลยก็จเตเตที่ความสุขเรื่องมุทกะตเปัตต่าสุขจาวิาอดออะไรอีกหนผม มนได้ย่เข้แบบเรมานาจะลูกคุณฟ้องแกบไปไม่ไ <dag> ด <est reluctant> ้มีคนตายให้มัอาจจะลูกคุณเ้ตปได้ไม่ามจิ๋วเป็นมัอาจจลูกคุณจิ๋ให้เป็นไม่ได้พาะจะรับผิดชอบจากขอาคนเดียวจะต้องแบบ้องมมีการเรื่องขอตันและของอนันต์มี้าไปเ้าเนเดิมมีกาเป็นที่พึ่งอาศัยม่มีกาเป็นของพามีการเป็นที่พึ่งเราเราจะทากอะไนไว้ไม่จะต้องรับของกรรนั้น อ่าเก่งมากัวขึ้นอยางจะเป็นพ่อไหมตัวเองกระดูกกระดูกปาดหัวใจตับปอดถ้าหน่อยอ่าเ็นอาหารกับซหมอทั้งดีน้ำเสลน้ำเลืองน้เลือดน้ำกระน้มันคอนตำนคนน้ตาลน้ำลายน้ำเหลืองมูกทําลายน้แขข้อน้ามูดน้ำมูดอ่าเก่งมาก ก็ขึ้นอยากจยาเป็นพรพไหมอยากอยากบวชพรพไหมฮ <c oughs> ะ <c oughs> บวชได้นะเนี่ยแค่นี้ก็แล้แต่ถ้ามากตายล่ะเรียนจะบวชให้มากไหมูกัวอืาอ่เดี๋ยวโตขึ้นก็จะรู้เองนะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะดิมดยมหนึ่ง ช่วงนี้เอ่อสมมุติว่าโดมินอยู่มองเห็นความเกิดดับนะคะพระอาจารย์เวลาเราหายใจเข้าหายใจออกมันคือแล้วก็ดูเป็นว่ามันเกิดดับไม่ว่าเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินมันคือเกิดและดับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวยกมือแป๊บมือกอ็ต้องลงแล้วบอกโยมก็มองเป็นการเกิดการดับอย่างนี้ถูกต้องไหมค ะ, ะที่พระอาจารย์เคยบอกอเนาะคือให้เห็นว่ามีเกิดไม่ดับเป็นธรรมดาไม่ทุกข์กับการเกิดการดบับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงค่ะแล้วทุกอย่างมันจะไม่สามารถคงอยู่ ใชอห้ามันไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับมันก็ดับเราอย่าไปทุกข์กับมันเราอย่าไปทุกข์กับมันใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อวานเมื่อคืนโยมนอนอยู่เราเหมือนกับว่าช่วงนี้โยมเหมือนกับว่าพอเราหายจากการเจ็บขาแล้วปรากฏว่าเราถนอมเขาไว้ด้วยเราไม่ขยหยอกเขาอะค่ะพระอาจารย์เขามันก็เลยล็อกเพรอเขามันล็อกอะโยมก็แบบมองเห็นว่าอ้าวเนี่เมื่อข่าล็อกเห็นไหมแบบ เราจะสั่งให้มันยืดให้หดเข้าเราไม่สามารถบังคับเขาได้เลยพระอาจารย์ออันนี้มันจะเป็นยังไงก็อย่าไปทุกกับมันใช่ค่ะมันเป็นอนัตตาพระอาจารย์ว่าเราสั่งเขาไม่ได้เห็นไหมเขาไม่ใช่ของของเราเราไม่สามารถบังคับคือมันเห็นของมันเองเลยพระอาจารย์เอเห็นนะเพื่อให้เราไม่ไม่ทุกกับมันนะเป้าหมายก็คือไม่ทุกกับอะไรใช่ค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันบางทีมันจะเป็นก็เป็นบางทีมันจะไม่เป็นมันก็ไม่เป็น ใช่จ้ะค่ะพอาจารย์แล้วอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นก็เป็น ค, ความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเราค่ะพรอาจารย์ค่ะตรมเห็นเลยค่ะทวงที่ป่วยนี่อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ในห้องตลอดเวลาเดินก็คือมันจะเดินช้าๆเพราะว่าเป็นการแบบเหมือนกับพอเราหายเจ็บแล้วก็ฝึกเดินนะคะเพาาราะฉะนั้นแล้วทุกวันก็ไปกยายภาพทุกวันเพื่อไปยืดเข่าให้มันให้มันกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแต่เขาจะดันเราจะเจ็บมากเลยค่ะควรจะดีควรจะดีใจที่มีโอากาสใช่ จะพอถ้าถ้าหายถ้าเป็นสบายก็จะไปนู่นมานี่ไม่มีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิอันนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนั่งอยู่กับบ้านนี่ใช่สกาพระอาจารย์ฝึกไว้ในตัวเลยคะ่ะเพราะว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโอกาสันดีจริงเลยค่ะพระอาจารย์โยมเห็นเลยแล้วอเห็นความไม่เที่ยงไม่มันไม่เที่ยงจริงๆพระอาจารย์อยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นมันมันเดีย ว, แ ล, วแล้วก็เห็นว่ามีเวลาได้ปฏิบัติไงต้องจริงด้วยค่ะพระอาจารย์ ถือโอกาสให้เป็นประโยชน์เลยเจ้าค่ะอพริกวิกเกตให้เป็นโอกาสค่ไหมะอาจารย์ใช่เลยก็ค่ะเฉยแต่ว่าอยากความอยากคืออยากไปใส่บ่ายพระอาจารย์ก็ยังไปไม่ได้ตั้งแต่ปีใหม่นะคะอยู่ในห้องตลอดเลยค่ะก็ทํำสิ่งที่เราทําได้ือเข้าสมาธิทําให้อยากเข้าสมาธิทําอยู่ค่ะตอนทุกวันยุ้ยตื่นมาตื 3, 2, ่สามตี่สองก็ต้องมานั่งบนโซฟาเข้าสมาธิดีกว่าไปใส่บ่ายร้อยเท่าพันเท่านะ จริงค่ะว่าอาจารย์จะหยากไปกากพระอาจารย์ค่ะความอยากความอยากอยากแบบนี้ครับเป็นกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมใช่เลยค่ะโยมเขาไม่เป็นธรรมไม่ทให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามันไม่เป็นธรรมค่ะได้ค่ะแต่โยมก็มองอย่างน้องรู้จักกับน้องแอมมี่ก็ใส่บาตโยมก็สาธุสาธุเงี้่เจ้าค่ะพระอาจารย์ไว้โยมแข็งแรงแล้วโยมพาหลานไปกากพระอาจารย์ใส่บานรใส่บานออนไลน์ก็ได้เนี่ยไม่แม่ค้าที่บ้านเพอส่งเงให้สาธแทนให้เราก็ได้เดี๋ยวฝากคุณเจี๊ยบค่ะพระอาจารย์ ค่ะน้องลูกกับอาจารย์มีคำถามไหมมาตอนนี้มีเลยไหมคะมีมีค่ะโอเคค่ะก็ดูแลไปนะลูกเขาจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขานเลยตามาเกิดไปค่ะแเราก็คิดว่าเราดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วอะไรเกิดเราจะได้ไม่เสียใจที่หนักเอ่ถูกต้องนะแต่อย่าไปทุกข์นะเพราะไม่มีใครอยู่ไปตลอดหรอกไม่ใชาก็เราก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะมาจากถุงต้องมีน้ำมันที่ะน้องเล็กกับนองต้ากับลูก เล่นว่างว่าว่ายังเกิดบันทึกก่อนลูกอากาศก่อนอากาศเลวกลาวกลาวลงกาวลงตาขอลุ่งสู่ขุขสูอคมสูนขอให้หลวงตาท่านขแข็งแรยนะคบจ้าขอบพระเจ้ากอบขอบขอบพระคุณนจ้ค่ะอ่าไปที่จ้าแม่จ้เจที่ต่อฟังเร็วฟังไอเดียเร็วกลับวพิการประาจาครับครับวันนี้มาสมกันบ้านเช่นเคยครับ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 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำความบรรไดไว้เป็นบุตรหรือเป็นบาทเราจะเป็นใครยากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆไปเราทั้งหลายควรจิตใอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอโอเคทำไมนะเราคือใจนะเราเป็นผู้รับผลเมื่อเราเป็นผู้กระทำร่างกายจนเพงผู้รับใช้เราร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลแล้วก็ร่างกาย ร่าง well, กายแก่เจ็บตายนนั้เราไม่ได้ here, diet, เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายนะครับต้องจากแยกๆนะใจกับกายเป็นของคนละอย่างกันนะครับร่างกายต้องรับรับความแก่ความเจ็บความตายใจต้องรับผลของกรรมครับต่างกันแล้วร่างกายของเรานี่ยมีอะไรมีอาการอะไรมีอาการอะไรบ้างมีผมขนเหมือนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่นกระดูกม้าหัวใจตัดทางผิวไตปอดไสใหญ่ซสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสันน้ำดีน้ำเสลตน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำแข็ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็งข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตหงือดกับตัวใจม้ามเยื่ในกระดูกระดูเอนเนื้อ หนังฟันและขนผมเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าเป็นตัวเราหรือเปล่าร่างกายไม่เป็นครับเ อ, อนะ่นาะเราไม่ใช่ร่างกายนะเราผู้ใช้ร่างกายร่างกายเป็นแค่ดินน้ําลมไฟครับเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปครับโอเคปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดอ่ะมีอะไรไหม นี่มีแล้วครับโอเคพยายามปฏิบัตินั่งกินนาทีเท่านี้45นาที45นาทีครับโอเคทุกวันนะเอออาทิตย์ที่แล้วไม่เรียนนั่งครับเล่นเออกมเพลย์ครับเอยไม่ช่วไม่ไม่ชดใช้เลยไม่ชดเชยเลยอาทิตย์นี้กลับมานั่งเลยครับโอเควันไหนไม่ได้ทำน้องทําชดเชยนะจ ะ, จะได้ไม่ขานเนี่ยครับ พอขาดแล้วมันไม่ดีนะขาดแล้วมันจะทําให้เราถดถอยถ้าทำต่อมันก็จะทําให้เราอย่างน้อยก็ไม่ไม่ถอยถ้าอยากให้ก้าวหน้าก็ต้องทําเพิ่มมากขึ้นโอเคนะพยายามทํามด้วยเลยนะทําให้เป็นนิสัยนะครับครับทุกถามกล่าวพระพุกุพระอาจารย์ครับอ่าน้องทีมต่อทีมวันนี้นั่งได้กี่นาที ับน้ำมาส ก, การครับพระอาจารย์ปีนี้นั่งนนชั่วโมงมานชั่วโมงค่ะเท่าไรครับลูกครั้งสิบสองนาทีครับอล้วบสองนาทีต่อครัง้งเลยนั่ันเร์วันเสารก็ไม่ได้นั่งเหมือนเดิมพอหยุดหนึ่งวันเคยได้ยินเคยได้ยินเพลงสมัยก่อนแล้ว Never on Sunday ไหมนี่ Never on Saturday <c oughs> เพิ่มเวลาแล้วค่ ะ, าาะอาจารย์เขาเพิ่มเองจาก1 1นาทีเป็น12นาทีอ่าดีเองมากเริ่มมาพัฒนาวัตถินิเทศหน่อยอาทิละนาทีข้าหน้ากับ13นาที14นาทีดีนะีหย <c oughs> <ว> <c oughs> บไหวกา12นาทีเมื่อกี้เขาได้ยินพี่จะมาจะตีบอกไป45นาทีเขาตาโตเลยครับโอ้โหเยอะ ม, มากก็เลยบอกวา่าพี่เขาก็เริ่มจาก ถ้านาทีนาทีแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทีมก็พัฒนาแล้วได้ตั้งสิบสองนาทีอะไรอย่างเงี้ย่ะตอนตอนก็ได้แค่สี่ห้านาทีน่าไม่ค่เนี่ยค่ะเขายังเขายังอยู่นี้เขายังทําอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเขาจะทําเกือบทุกวันนะคะพระอาจารย์เพราะว่าแล้วเดี๋ยวนี้หนูก็แบบเหมือนแค่บอกเ้าคือไม่ต้องแล้วเขาก็เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะรู้ว่าอ่ะเขาทําอะไรเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ จะมาสวดมนต์นั่งสมาธิเองนะคะพระอาจารย์เขาไม่ต้ไม่ต้องทำพรอมเขาเลยหนูไม่ได้ทําร้องเขาค่ะพระอาจารย์คือตอนแรกๆหนูจะให้เขาเรียกเขามาทําแล้วหนูก็จะคอยดูอยู่ห่างๆแล้วก็เหมือนแบบช่วงไหนถ้าเขาแบบมีมีไม่ค่อยนิ่งบ้างก็อาจจะแบบทําเสียงจูๆให้เขารู้ว่าเออให้พยายามนิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าช่วงอาทิตย์นี้ค่ะพระอาจารย์เหมือนว่าแบบเขาเขารับผิดชอบตัวเองด้วยการแบบว่าอ่ะรู้เวลาก็บอกไม่ต้องไม่ต้องเรียกเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเขาทําเอง เขาก็ลุกมาสวมดมนต์นั่งสมาธิจัดการตัวเองนะค่ะพระอาจารย์เขาก็เพิ่มเวลาเองนะคะพระอาจารย์เอนทําไปเรื่อยๆต่อไปมันจะติดเปน็นนจสัยถึงเวลามันก็อยากจะทําขึ้นมาอก็เหมือนเหมือนเริ่มรู้ว่าแบบไม่อยากทําก็ต้องทําอะค่ะพระอาจารย์คุณแม่บาง <c oughs> ว, วันเราก็ไม่อยากจะกินข้าวเราก็ต้องกินกินดีก็ไม่กินนะ ค่ะก็เหมือนแบบเมื่อก่อนเรียกเขาเก็บที่นอนตอนเช้าก็ไม่ค่อยต้องเรียกทุกวันทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกแล้วเขาก็จัดการตัวเองการสวมดมนต์นั่งสมาธิเขาก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะต้องก็ต้องทําอยู่ดี่ะคะพระอาจารย์พยายามฝึกสอนให้เขาเพิ่งตัวเองให้มากที่สุดท่านจะยัาทำได้ค่ะเดี๋ยวนี้หนูก็ให้เขาเขาเขาจัดการเองค่ะพระอาจารย์แล้วก็ แต่จะดีไม่ดีเพราะว่าหนูไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาให้เขาลองอหัดทําเองแต่เดี๋ยวก็ก็จะดูดูผลสักระยะหนึ่งอะค่ะว่าเป็นยังไงอะค่ะอ่าเนี่ยฮะะค่ะอาจารย์โอเคไม่<ะ>มีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีคำถามค่ะพรอาจารย์อขอให้พรอาจารย์ท่าขแข็งแรงเจ้าคะ่ะสาธุไปที่คนหนึ่งเชือ่อวางเมไรวางอะื่อไรฝากสาธุค่ะพรอาจารย์ ก็วันนี้มาฟังธรรมค่ะหลักๆวันอามาแจ้งการค่ะเรื่องของวันพรนเมื่อปีนี้เดี๋ยวจะมีสตาร์ปาร์ตี้นี้จะไปชนจับไปแล้วก็ไปชนชนกันหลายวันแล้วค่ะถ้าจะไปโดนบันพุทธทีนี้เ้าก็เลื่อนไปเลื่อนมาเขาได้วันที่สามคือวันมาคุชาสัาคบน้องๆก็ถักพี่พี่โอเคอยูก็บอกก็ได้ก็ได้อยู่วันพาร์ตี่วันวันหยุด แต่ว์อาทิตย์ไหนก็ได้ก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะจะว่าเป็นที่ที่ส่งแจ้งก็ทํางานก็ทาําด้วยไแล้วก็เราก็ใช้พิจารณาในสองของกายแล้วก็พิจารณาเรื่องของความอเนจังไม่ลงค่ะอย่างมันเป็นเรื่อค้าปฏิบัติปริศาเจ้าค่ะมันพลาดคายังไงแตงมันอยู่ทํา ง, งานมันจำเป็นจะต้อง <S <S ตรงกับที่เขากําหนดไว้ มันไหนมันมันหยุดทำงานของเราเราก็ทามันหนห้เป็นวันพักของเราไปก็ใช้ได้ค่ะแล้วค่ะก็ได้ได้ความจับพรพเนี่ยความทุกอย่างอะไรมันก็มันก็สงบเงีย็ก็ใช้แนวทำไปต อ, อนี่ทาไปต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเผื่อมีคนอื่นเข้าสู o ต่อนาจ๊ะโอเคแ น, น่โอเคสาธุ ขอบคุณปู่เป้เชคุณปู่เปกลับนมัชการเจ้าข่าวพระอาจารย์อ่ามีอะไรไหมข้าหนูรุ่ยปฏิบัติค่ะพระอาจารย์คะหนูแค่จะเล่าค่ะเพราะว่าหนูเป็นพยาบาลประเมินระดับเพนสกอร์ความปวดของผู้ป่วยอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วพอมาประเมินตนเองหนูก็เลยได้เห็นคงดีจากพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ คือพอร่างกายมีปัญหาแล้วไปผ่าตัดเพนสกรมันน้อยอ่ะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเห็นของดีจริงๆค่ะพระอาจารย์จากการฟังทำแล้วก็รู้ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเห็นว่าโอ้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าค่ะพระอาจารย์เพนสกรน้อยมากตอนที่หนูออกไปซ่อมมุมป่ากค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเพราะว่าอย่างไงเขาว่ายังไงอ๋อระดับ คือจะถามผู้ป่วยค่ะพระอาจารย์ว่า<อ>ปวดมากหรือปวดน้อยอกี่ข<อ>ันเต็มสิบคะแนนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วบางบางบางท่านที่ผู้ป่วยก็จะดิน้นพระอาจารย์นะคะหนูอยู่หลายโรงพยาบาลทั้งอผู้ป่วยที่เป็นคาราวาสกับพระภิสุกสง์ปัจจุบันหนูอยู่โรงพยาบาลสงฆ์นี่แหะค่ะพระอาจารย์<อ>แล้วหนูก็ชอบประเมินระดับความปวดค่ะแต่หนูก็เคยสงสัยว่าทําไมพระอาพาธท่านไม่ค่อยเพนจกอร์สูงะคะ่ะไม่ค่อยปวดมาก หนูสงสัยตรงนี้ค่ะเพราะว่าหนูเคยไปอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นคารวะดิ้นเลยนะคะพระอาจารย์เวลาปวดหนูสงสัยแต่พระอะพาธท่านไม่บอกเรื่องประเด็นใจเป็นนายกายเป็นบะกค่ะพระอาจารย์แต่พอหนูมาเจอเองจริงๆโอ้จากสภาวะใจนี่เองค่ะพระอาจารย์เลยได้เห็นตรงนี้เลยค่ะพระอาจารย์ที่ท่านไม่บอกว่าเป็นเพราะใจค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็เลยแบบพอมาเจอเองจริงๆค่ะพระอาจารย์ ว่าโอ้ความปวดระดับคะแนนท่านไม่ค่อยแบบว่าปวดมากจนเต็มสิบหรือดิ้นเลยนะเจา้าพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้ต่างกันตรงนี้สภาวะใจค่ะพระอาจารย์แล้วจริงมาได้ฟังพระอาจารย์เรื่องใจเป็นนายกายเป็นเบามีจริงค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบแล้วพอหนูมาเจอเองหนูก็เลยได้เจอจริงๆริงค่ะว่ามีจริงๆี่ขาพระอาจารย์หนูก็เลย ไม่หนูก็เลยเฉยกับร่างกายค่ะพระอาจารย์ถ้าใจไม่เบียขามากใจก็ยจะเฉยได้มากจริงค่ะแล้วก็แล้วก็ของดีเลยแหะค่ะพระอาจารย์หนูเลยแบบอู้ลุยปฏิบัตินั่งรถเมลหนูก็เข้าสมาธิอย่างเดียวเลยแหละค่ะพระอาจารย์เก็บพลังเลยค่ะพระอาจารย์นี่พยายามจิญสติให้ได้ตลอดเวลาได้ยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีสามารถจิตนันสติได้ทั้งวันก็้งแตตื่นจนหลับ แล้วขาพระอาจารย์ตาทุ่งเลย่าพระอาจารย์คุณแนนไคุณแนนนิ่งมาตลอดนะน้ำกันน้ำสกัดนะพระอาจารย์เปิดเาค่ะโอ้เปิดค่ะอ่าเยินดียินดีนิ่งไม่นิ่งแล้วนิ่งกับคนบางคนบางคนยังไม่นิ่งนิ่งแล้วค่ะนิ่งค่ะท่านอาจารย์ เมือนกันหมดทุกคนนะอย่าอย่าไปยากเย่ะเขาก็ดินน้าลมไฟอันนี้จังหัตตาทั้งนั้นเมตตาค่ะท่านอาจารย์ก็คุณเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้แต่น้องเขาก็ดีขึ้นแล้วค่ะอดีค่ะถึงแม้ว่าเขาเขารู้จักเน่งบ้างนะแล้วเน่งเทขาก็เน่งกระจกรากลับบ้านไปเขาก็เป็นคนทําความสะอาดบ้านเป็นคนอะไรอย่างนี้ยค่ะท่านอาจารย์แต่เขาไม่ได้มากับเราแต่เขาก็รับผชอบเตือนให้เรา ค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรเนี้ยเขาก็ซักให้ท่านอาจารย์ความดีเ้ามีค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็อยู่ด้กันค่ะแล้วแต่เราก็อย่าไปก้าวไกลอะไรเขามากมายค่ะโตแล้วอตัวไกลตัวมันค่ะตัวไกล่โตมันค่ะท่านอาจารย์ก็แล้วแต่เขาค่ะออืก็ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างุเดวิดเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์มอสเซนเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากเราก็ขอบคุณมาก ค่ะขอคุณท่านอาจารย์สค่ะอ่าน้องออมคุณ อ, อ้อมเป็นยังไงในมรดการค่ะเข้ามากราบค่ะอ่าเป็นไงวันก่อนที่สายบาร์เขเล่าเรื่องการทํา ง, ทงานให้ฟังไห้เขาบอค่ะจะเล่าว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรอ่ะคะ่ะอาจารย์เกี่ยวอะไรอ๋ออยู่ฝ่ายประกันคุณภาพค่ะอ่าแล้วเกี่ยวกับอะไรปกคุณภาพของอะไรอ๋อของ ยาค่ะยาปัาศจากเชื้อค่ะยาปัาศจากเชื้อหมายความว่าเป็นยังไงอ่าเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะพ่ออาจารย์อ๋อยาฆ่าเชื้อเชื้อชนิดไหนเป็นยากินหรือว่ายาฉีดหรือยาทาหรือยาอะอ่าเป็นเป็นยาล้างค่ะยาล้างอ๋อค่ะล้างแบบแผลล้างอะไรพวกนี้หรือไงว่าล้างภายในอวัยวะที่สําคัญภายในค่ะพ่ออาจารย์ แทนทางภายในมีมีเชื้อติดเชื้อก็้องใช้ยาพวกนี้ค่ะอ่าค่ะก็ก็ต้องเป็นยาที่ปราศจากเชื้อเพราะว่าเราต้องเอาเข้าไปล้างอาวัยวะภายในนะคะพระอาจารย์อ๋อคือถ้าสมมุติว่ายามันมีเชือ้อคือหมายถึงโปรดักไม่ได้ปราศจากเชื้อพอเข้าไปล้างแล้วจะทําให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้ค่ะอ่าแล้วแล้วโปรดักที่เอาไป ทำความสะอาดมันเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นน้ํายาทําความสะอาดอย่างนี้แหละใช่ค่ะอ๋อแต่ต้องไม่มีเชื้อเราต้องตกมจัดเชื้อก่อนใช่ค่ะเพราะาเชื้อเข้าไปในร่างกายเนี้ยก็ยุ่งเลยค่ะเดี๋ยวไปติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์น้ํายาที่เขาใช้เวลาผ่าตัดทําหน้าอะไรพวกนี้เครื่องในเรื่องว่าอะไยังไงเป็นเป็นน้ํายาเป็นน้ํายาล้างอวัยวะภายในอ่ะค่ะอาจารย์ สำหรับคนที่เป็นโลกค่ ะ, ะเขาฉีดเข้าไปได้ว่าไงก็เป็นเป็นเป็นล้างค่ะใส่เป็นเหมือนยาฉีดค่ะอาจารย์โอเคค่ะโอะแล้วมีหลายหลายั์หรือมีผลิตักฑ์เดียวมีอันเดียวค่ะอันเดียวเนีย่ยค่ะ แลเชื icks, notes, so ่อต้องรอดเป็นเซนแล้วปลอดเชื้อรอดเป็นเซนแล้วใช่ค่ะอ <c oughs> <ง>๋อค่ะก็ต้องทําะไรต้องมีขบวนการกำจัดเชื้อใช่ค่ะก็ประยุกต์ใช้กับที่ผ้าจาย์สอนฆ่ากี่เลสแล้วก็มีเชื้อเหมือนกันนะใช่ค่ะต้องใช้ธรรมะเข้าไปค่ะธรรมะเราก็อยากมียากไปมีติดเชื้อกิเลสกันด้วยนะค่ะก็ก็ ค่ะก็ที่พระอาจารย์สอนต้องเป็นทำทําบอยสุดต้องทําเป็นต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นธรรมของคนอื่นสอนนี่บางทียังมีเชื้อหลงอยู่เต็มอยู่แล้ค่ะแล้วเวลาเราจะทดสอบเราก็ต้องสมมุติดูว่าป่าสจากเชื้อเราก็ต้องเอาเชื้อทดสอบเหมือนที่พระอาจารย์สอนของพระอาจารย์ก็ต้องมันต้องมีกิเลสมาทดสอบด้วยว่าเราป่าสจักจริงจริงนะคะดีปฏิบันอะไรก็ต้องอย่างมงายนะ มีเหตุมีผลใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่เข า, าเขาว่ายังไงก็เชื่อเขายัางต้องไปสู่ก่อนอสิ่งนี้ก็สอนนี่ถูกต้องตา ม, ตามหลักความจริงไหมโอเคดีมากขอบพระคุณค่ ะ, ะสาธไปได้คุณอุตสาธา่ณเดินกลับถึงบ้านเรียบร้อยนะ ถึงบ้านแล้วค่ะอาจารย์ถึงบ้านในวันเดียวค่ะเดี๋ยวนี้เครื่องจากสนามบินโยมขึ้นที่สุวรรณภูมิมาเที่ว่าถึงประมาณชั่วโมงกว่ากว่าค่มแล้วก็จากสนามบินก็มาสุงไงกรกุ๊กสุงไงกรุ๊กก็มาบ้านโยมที่อำเภอแหวงค่ะอืหลายทอดนิดนึงค่ะแต่ว่าโยมก็รู้สึกว่าการเดินทางของโยมไม่ว่าจะเป็นยังไงจะเดินทางกี่ทอดแต่โยมรู้สึกว่ามันเป็นพลังค่ะอาจารย์ ไม่ทําให้รู้สึกท้อไม่มีรู้สึกอะไรมีความมีความสุขค่ะเดินล着 ก, กระเป๋าเจ็ดกิโลยกกระเป๋าเจ็ดกิโลขึ้นบนช่องเก็บทาไม่ไหวก็เอาหัวเทินแต่บางทีก็มีคนช่วยค่ะจาย์ทุกอย่างทําเองหมดมีมันมันมันดีนทำแด้วอยู่เบยขค่ะมันแล้วก็ตอนกลับมานะคะเวลากลับมาถึงสนามบินก็คือไปซื้อข้าวที่เซเวน่นมานั่งกินเอากระเป๋าตั้งแล้วเอาก็เอา กระโจมลองแล้วก็นั่งกินไปแบบกินไปแล้วก็ทุกอย่างทุกสิ่งอย่างมันไม่มีการปรุงอยู่กับความว่างเปล่าค่ะอาจารย์คนที่ mm hmm. เราก็ไม่ได้สนใจเขาค่ะกินไปเรื่อยๆเออมันแปลกดีแฮมันเออขอโทษค่ะมันแปลกดีนะเราไม่มีความปรุงอะไรตรงนั้นเลยใครมองมองคนมองนะคะแต่ว่าก็มองไปแบบผ่านๆไปแล้วก็นั่งกินไปค่ะบานนั้น mm hmm. พอกลับมาดูเฮ้ยมันมีอารมณ์แบบนี้ได้ด้วยเมื่อก่อนไม่เคยคิดค่ะอาจารย์เฮ้ยมันมีความว่างเปล่าโดยไม่มีการปรุงมันรู้สึกแบบอัศจรรย์นะคะอาจารย์<อ>แปลกคะ่ะเรียกว่เบ็ขาเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็โ ย, ยมก็ไปขึ้นเขารอบนี้นะคะมันมีความสุขนะคะอาจารย์มีความสุขเดินจงกรมแล้วก็อ๋อมันความสุขแบบนี้เหรอมันมีความสุขแล้วก็รู้สึกเหมือนกับตัวเอง ใจตัวเองมันเต้นดีดีใจไม่รู้มันเป็นยังงแต่มันมีความสุขค่ะอาจารย์เดินโยมก็ยังคงเดินจงกรมเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าจะเ น, น้นนั่งมากกว่าเดินนะคะจารย์พอเดินจงกรมแล้วก็โยมรู้แล้วว่าการเดินจงกรมของโยมโยมดูกายมักดีดีกว่าค่ะแล้วก็พอเดินไปแล้วก็โยมมาหยุดนิ่งที่ปลายที่ปลายที่ปลายแถวไปลายปลายอะไรนะคะจารย์ายทางเดิน แล้วก็จะอยู่เฉยๆนิ่งมันก็นิ่งอยู่แบบนั้นค่ะอาจารย์จะนิ่งว่างมันมันสบายค่ะอาจารย์แล้วก็เดินต่อแล้วก็หยุดยมก็จะหยุดพักเป็นช่งชวงๆดูดูอารมณ์อะค่ะอาจย์มันนิ่งนะคะดีค่ะอาจันยมไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่านะคะถูกทำทำมันนิ่งก็ถูกทำมันไม่นิ่งก็ไม่ถูกคเืเดินเดินเดินแต่มันอาจจะมีเผลอแต่ยมก็จะเดินจนกระทั่งรู้สึกว่าเขานิ่งยมก็กลับมานั่งแต่การนั่งรอบนี้นะคะมันมีแปลกตรงที่ว่า โยมจะตื่นนอนถ้าตอนขึ้นเขาใป็นไหมโ ย, ยมตื่นตีสามครึ่งโยมก็อาบน้ําก่อนเพื่อให้ร่างกายมันตื่นแล้วมานั่งภาวนาไม่งั้นเดี๋ยวหลับแต่ทุกวันนี้แค่ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปต้มน้ํามาแล้วขณะที่มานั่งรอน้ําัเดือดบนเตียงใช้นั่งขัดสมัดยังไม่นั่งเข้าที่เลยละคะ่ะอาจารย์มันนิ่งเองค่ะอาจารย์โยมบอกเอานิ่งนิ่งไปเลยก็ปล่อยให้เขานิ่งไปะคะ่ะอาจารย์นิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าร่างกายเมื่อไม่มีจิตอะไรควบมันก็ไม่ต่างกับท่อนไม้เลยนั่งนิ่งไม่ ไม่มีอะไรเฉยๆนั่งอ้อมันเป็นแบบนี้เพราะใจเพราะจิตมันไม่ปรุงอะค่ะอาจารย์แล้วก็มาเจออ๋อมันมันเป็นแบบนี้แล้วก็พอไปนั่งที่หน้ากุฏิใช่ไหมคะยมไปเร็วยมก็ลองนั่งหลับตาไปเรื่อยๆมันก็นิ่งค่ะแต่ว่ารับรู้เสียงนะคนเดินไปเดินมาเสียงรถเสียงอะไรมันได้ยินเสียงแต่มันไม่มีการปรุงมันก็นั่งรับ จนกระทั่งรู้สึกมันมีคนมานั่งข้างๆยมก็นั่งไปเรื่อยๆจนลืมตาขึ้นมาหันไปดูอ๋อคุณปรางว่าอะไรมานั่งใกล้ๆแต่เหลือไปเห็นน้องเขานั่งหลับตายมก็นั่งหลับตาต่อจนกระทั่งถอนออกมาค่ะอาจารย์มันก็สงบพออาจารย์ให้นั่งสมาธิใช่ไหมคะพร้อมกัน mm hmm. ก็นั่งรวมนะคะแต่ยมก็แอบกังวลว่ากควรจะเป็นแบบคราวก่อนที่ว่ามันลงลึกแล้วก็ถอนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็แอบกังวลนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรก็ไปแต่ไม่เป็นไรไม่ถอนก็ไม่ถอนนั่งลงก็ไปไม่ต้องกังวลไม่ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะยมจะไม่ต้องกังวลอุตอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยมก็เป็นเราขอให้เรารู้สึกตัวให้มีสติกันกันสาธุค่ะการนั่งก็ก็นั่งได้ดีขึ้นค่ะจารย์แล้วก็มันจะนิ่งได้เร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรานั่งถ้าเราฟุ้งเนี่ย อย่าไปคุยกับมันปล่อยให้มันคุยไปมันคุยไปเราดูรวมอย่างเดียวฟืนฝืนแข่งมันรวมเองนะคะจาย์ต้องอาจปรับเองอะค่ะยิ่งคุยยิ่งฟุ้งใหญ่ยังไม่คุยมันมันขึ้นมาก็ช่างไม่คุยไม่สนใจก่อนจะหยุดหายใจเพื่อเบรกแต่พอเบรกปุ๊บมันจะต้องเบรกอยู่เรื่อยๆมันเสียจังหวะค่ะจย์ก็เลยมันฟุ้งก็คุยก็คุยไปแต่เราไม่คุยกับมันค่ะมันก็แล้วก็โยมก็เห็นกิเลสของโยมนะคะจารย์ว่าเมื่อโยมยิ่งโกรธ พอยอ ม, มโกรธอะไรสักอย่างหนึง่งมันเห็นความอยากเห็นความเลวร้ายในใจตัวเองเห็นความน่าน่ารังเกียจน่าสังเวชในใจค่ะโอ้เราแทนกเกล็นใช่ค่ะอุย้ยมันน่าเกลียดขนาดนี้พอยิ่งโกรธมันยิงย่งยิ่งโอ้ยมันน่าเกลียดจังเลยถ้าไม่เราเป็นแบบนี้คือมันพอเราห้ามเราก็เหมือนเราจะห้ามเป็นเปลาะเปละไปแต่โยมมา อ, มอาจารย์บนเขาอะค่ะวันที่สิบห้านะคะถ้าใครยังไม่ฟังโยมแนะนําให้ฟังค่ะอาจารย์วันที่สิบห้าอาจารย์เทศเกี่ยวกับเรื่องของ ขั้นของพระอริยะต่างๆแต่โยไม่ได้ติดตรงนั้นโยมมาจับตรงที่คําว่าความทุกข์มันทุกข์อยู่แล้วแต่เราไปทุกข์กับทุกข์มันก็ยิ่งทุกข์โยว่าเออใช่มันทุกข์ซําสอนมันมีทุกข์อยู่แล้วแล้วเราไปทุกข์กับมันเราก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะส่วนใหญ่เราจะทุกข์กับอดีตทั้งหมดโยวอ๋อมันทั้งหมดมันคือว่ามันทุกข์แบบนี้ถ้าเราไม่ทุกข์กับทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ก็เลย โอเครู้สึกมันมันแฮปปี้ขึ้นค่ะจันมีความสุขทุกก็อยู่กับมันไปสุขก็อยู่กับมันไปไม่ยังไปบูแต่งไม่ยังไปชอบไปช่างแต่ยังไม่เก่งพอที่จะปุ๊บเลยนะคะจัรยังยังพอยังมี๊แต่ยังใช้ยังใช้เฮ้ยทุกกำลังทุกแล้วกลับไปทุกโอเคเราก็จะไม่ทุกข์กับทุกเพราะว่ามันทุกมันก็ไม่หายอยู่แล้วเพราะมันทุกอยู่แล้วแต่เราไปทุกอีกมันทุก แต่ อ, อยู่ในโลกของความทุกข์หนีไม่พ้นหล่ะความทุกข์มันพออาจารย์ฟังโยมฟังอาจารย์เทศว่านะั้นโอ้ยมันทุกซ้อนทุกถ้าเราไม่ฟังเทศเราจะโยมไม่ไม่แตกแล้วยมก็มาฟังธรรมะนากุติอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเหลือแต่พระธรรมและเหลือพระสงฆ์แต่พระธรรมนั้นอนะโยมไม่มีปัญญาศึกษาอยู่แล้วอาจารย์โยมไม่รู้เรื่องบาลีต่อให้โยมอ่านยังไงโยมก็ไม่รู้เรื่องพอโยมมาจับอ๋อก็นี่ไง เรามาเจอพระอาจารย์เราไม่หลงแล้วยังไงเราก็ไม่หลงยังไงไม่หลงแน่ๆแล้วค่ะอาจารย์ยมก็รู้รู้สึกแบบขึ้นเขาไปแบบมีความสุขนะคะอาจารย์แล้วก็มีน้องขึ้นมาใหม่คนนึงเรือนใกล้ๆอ่ะคะ่ะ<ม>เขาก็ปตะวางตั้งแต่สี่โมงถึงหกโมงเช้ายมก็ออกมาเดินกลางคืนยมก็ยิ้มเดี๋ยวน้องก็ผ่านเหมือนพี่มันแล้วเคยผ่านมันแล้วแบบนี้คุณเริ่มครั้งแรกคุณผ่านครั้งนี้ไปได้คุณจะผ่านค่ะอาจารย์อืม แอบดีใจเขาบอกเดี๋ยวน้องก็ผ่านแต่มันมีอันหนึ่งค่ะอาจารย์ต้องหน้ากุฏิใช่ไหมคะโยมนั่งจนฟังธรรมอะคะ่ะแล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งมานั่งข้างหน้าโยมโยมก็บับขออนุญาตไอ้น้องแล้วโยมก็เพ่งเขาเป็นอสุภะค่ะอาจารย์เห็นเลยเข้าเน่าน่าเพระแล้วพอนี้พออาจารย์เริ่มเทศโยมก็เห็นตัวเองนั่งเน่าอยู่โยมเคยกลับมาเอาใหม่ต้องปรับหมดใหม่ค่ะอาจารย์มันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราต้องเพ่งแบบนี้บ่อยๆเราจะเผลอเห็นเป็นเน่าแบบนี้ตลอดนะคะอาจารย์ ไม่หรอกแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะกําหนดแต่ okay. พอมันพอพอเริ่มหน้าปุ๊บโยม ก, หยก็หยุดก่อนหยุดก่อนแล้วก็โยมนั่งฟังธรรมใหม่ตบมือคการดูของเน่าของเสียของไม่สวยงามนี้ครับใช้เวลาที่เราเกิดการมมาลงขึ้นมามนคือเ<ร>มื่อใครแล้วเราเราเห็นเขาสวยเ้างามเขาหน้ารักหน้าอะไรเงี้ยเราถึงต้องใช้ภาพที่ไม่สวยงามมามาลบ อ๋อแต่ว่าโยมโยมก็คือแบบโยมจะพอสมมติโยมนั่งอยู่โยมว่างโยมก็ลองเพ่งดูอะไรประมาณนี้มันโผขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยพิจารณามาก่อนในอดีต<อ>มันก็เลยโผขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ได้กําหนดมันขึ้นมาใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจจนนวัแต่การกําหนดการมันโผลขึ้นมาก็ไม่เสียหายอะไรก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยธรรมชาติของร่างกายของคนทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะค่ะแต่ไม่ได้กลัวนะคะอาจารย์ กไม่เลยมีให้ไว้ให้กลัวให้มีไว้ให้กิเลสกลัวใช่ค่ะถ้ากิเลสเห็นแล้วกิเลสจะกลัวอารมณ์จะหดทันทีค่ะเข้าใจไหมค่ะแต่ว่ายมเคยเรียนอาจารย์ใช่ไหมคะว่ายมนั่งสมาธิเมื่อบนเขารอบที่แล้วแล้วมันพอไปนั่งปุ๊บมันเหมือนกับมีความร้อนละอุจากตัวขึ้นมายมก็ไปเผาล่างแต่คราวนี้มันร้อนละอุขึ้นมาอีกเหมือนกันแต่ยมไม่สนใจเขาโยมก็พุทโธพุทโธไปจนความร้อนมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะอาจารย์ มันอ่ะมันมันมันได้ดีอยู่รู้สึกมีความสุขกับการไปเขาครั้งนี้ค่ะโยมนกอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่สร้างเรือนภาวนาขอบคุณทุกคนแล้วก็เสียงนกร้องมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะโยมวันนี้ออกมานั่งแบบพอเรานั่งภาวนาแล้วออกมานั่งพิงฝาแล้วก็นั่งเงยนมองฟังเสียงนกมันผ่อนคลายก็เข้ามานั่งภาวนาใหม่ค่ะเสียงธรรมชาติไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยทำจิตใจ ใช่ค่ะมันเบามันไม่มีอะไรนะคะมันมันเหมือนเราฟังเสียงอะไรแล้วมันเย็นใจมันคลายไปหมดัมนตอนนี้ออกกลางคืนออกมาพอนั่งพวาว น, นานั้นออกเดินออกมาหน้าข้างนอกออกมายืนเกาะระเบียงแล้วก็มองมองมองไปรอบๆอบก็กลับเข้ามานั่งใหม่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ไม่กลัวออกไปได้ค่ะอาจารย์เอค่ะขอบ okay. พระคุณสาธุทูธุค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณสารการ มาฟังธรรมครับอาจารย์ปฏิบัต okay. ิค่ะครับทุกอาจารย์ผมไม่ยปยังไงรักการอาจารย์ค่ะแลุ้กมาไ้ยังก็จน่าแับในรักการพอาจารครับอ่าเป็นยังไงก็กสบายดีครับมีเหตการ์อะไรหม <c oughs> ทุกอย่างเรียบร้อยดีเรัอาจารย์ ก็มีไปทานข้าวกับเพื่อนหลายมือหมดนี้ข้ามปีใหม่นนี้่เจอเ่อยเจอกันบ่อยฮะเจอบ๊อบบ๊อบอก็ได้กลับมาจากนอกแล้วก็อื้ได้ส่งวิตามินให้ฟาจย์ส่งมาให้ได้รับนะเพราะบ๊อบตอนนี้ก็ทานวลมืออาดียอายุมากแล้วกินมากไม่ดีแล้วกินน้อย ร่างกายจะได้ไม่ทำงานหนะักกันไป้ก็จก็ดูแข็งแรงมากนะบอกคุณนะคนอนุคุณเพิ่งบอกว่า เ, เราคุยไม่ได้มีธรรมะแต่เป็นธรรมะคณสูงอายุและเปลี่ยนข้อมูลของผู้สูงอายุว่าวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหาหมอกันเป็นว่นเล่นลลนะฮะเป็นบกตเ ใ, นะใช่ค่ะ เพราะนั้นหาทีคนนี้หาทีแกแล้วก็ต้องเจ็บไข้ด้ป่วยก็ต้องคอยหาหมอหาอยู่ขายยาไปเรื่อยๆก็สาคัญอย่าไปทุกกับมันก็แล้วกันเราพูดดูแลร่างกายก็ดูแลมันไปแต่ไม่ต้องไปทุกกับร่างกายก็ปฏิบัติตามนั้นละค่ะก็พยายามไม่ไม่ค้นหาทุกข์ก็ว่ากันไปตามสภาพธรรมชาตินะคะดูแลไปเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายอราไปห็หมอหมอดูแลคนไข้ หมอเขก็ไม่ได้เจ็บไปกับคนไขยหมอเาดูแลไปใช่ใช่แล้วก็ใจก็ไปวางไว้เด็กกับกำแล้วก็สุการศาสตร์ประจําหมดทิศมารายงานตัวขอให้บอกว่าคงจะได้เจออาจารนั้นอาทิตย์หน้าต่อหวังว่ายังหายใจเข้าแล้วยังหายใจออกอยู่ค่ะ เ อ, อืโอเคยังไม่หยุดนะยังไม่อยู่ทา้ายใจกลับนมัสการพระอาจารย์เดี๋ยวไปเดินจะไปกลับพระอาจารย์ค่ะจ้าทุทกคุณแนนต์อ่อคุณแนนตอนนี้อยู่ซิกไหนอของเรากลับนมัสการเจ้าค่ะอยูอ่อญี่ปุ่นแล้วเจ้าค่ะเพิ่งมาจากโดฮาเมื่อวานเมื่อคืนนี้ค่ะกี่ชั่วโมงจากโดฮาค่ะกลับเร็วค่ะไม่ไม่ถึงเก้าชั่วโมงค่ะอืแต่ตอนไปสิเกือบสิบสี่ชั่วโมงเจ้าค่ะ ห่างกันมันทวนนมนะมันมันอ้อมค่ะคือไม่ค่ะเขาไม่ให้เข้าไม่ให้ผ่านรัสเซียอย่างที่ทราบอะค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังบินผ่านไม่ได้ขาไปก็เลยนานต่างกันแบบสี่ชั่วโมงเลยเจ้าค่ะลงมาทางใต้เลยค่ะเขาอันแล้วก็ขากับหนูหนูหนูเรียนตามตรงหนูไม่เคยดูดูเต็งจริงๆอะรูทแค่รูทแ่ว่าเขาอ้อมหนูก็โอเคอ้อมก็อ้อืม ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีการถ้าไมาไปขากลมันไม่ไมันไม่เป็นมันไม่เป็นทิศทางเดียวกันอืม อ, อ, อาจอาจจะด้วยรูทมันจริงมันมีหลายหลายรูให้เลือกอะค่ะแต่ว่าอย่างของอ่าบางทิดบางอย่างของพวกไฟล์ไปยุโรปช่วงนี้ของญี่ปุ่นเขาก็จะอย่างที่ทราบว่ามันมีปัญหาของรัสเซียนะคะก็ก็เลยจะอ้อมอ้อมมันต้องมันมันไม่ได้บินผ่านรัสเซียคะ่ะมันก็อาจจะบนไปนแต่ในความจริงถ้ามันถ้ามันผ่านได้มันคงจะเร็ว อ่มขาขากับคือจริงๆถ้าไปกลับใช้รูเดียวกันได้ก็นั่นมันอาจจะแบบบินขาไปข้างล่างแล้วขึ้นขาขากลับอัเนี้มีมีกดมีระเบียบอะไรก็ได้นะใช่ค่ะเหมือนเขาไม่ให้บินผ่านน่านฝั้ารุ่นเดียวกันเดี๋ยวชนกันก็ได้ครับใับค่ะก็เลยก็เลยรอบนี้ก็เลยเวลาต่างกันเยอะเลยถ้าถ้าไม่ต้องอ้อมคงคงคงแค่สิบชั่วแบบไม่ต่างกันมากอะค่ะสิบชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมง ค่ะอื่อนหน่อยครับไปโดฮามันก็ใกล้ๆดูไบใช่ไหมใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ค่ะประมาณน่าจะไม่ชั่วโมงนิดๆอาหาบินไปตอนแรกก็แอบลุ้นเขาเขามีเขามี warning ออกมาให้ระวังช่วงนี้อาจจะมีส่งแบบมียิงระเบิดมียิงข้ามกันเลยค่ะแต่ก็ช่วงหนูไปไม่ไม่มีโชคดีไปอันตรายเนอย่างนี้โลกมันวุ่นวายขึ้นค่ะ ก็มีช่วงที่มีเพื่อนหนูไปเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นช่วงที่กําลังอยู่ที่โดฮาแล้วอยู่ดีเขาก็บินเเขายิงยิงกันนะคะแต่ไม่ได้ยิงในใ น, ในกาตานะคะแต่ว่ามันมันแบบผ่านผ่านหน่านฟ้าไปมาสรุปต้องยกเลิกไฟล์แล้วก็หาไฟล์บินกลับกรุงเทพด่วนกันบริษ mm hmm. ัทหาไฟล์ให้ค <laughs> mm hmm. ่ะก็ตามเหตุการณ์ค่ะอยู่ที่ไหน ก็ตายได้นะคะหลวงพอ่อจริงๆใช่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนค่ะค่ะหาย<า>ใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายให้บอก่านี้ไค่ะหนูบินนี่หนูก็ก็คิดตลอดเวลาเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยค่ะเราก็ยี่สิบปียี่สิบกว่าปีบินมานี่ก็นั่งคิดตลอดเหมือนกับเหมือนกับมี image t r a น n i n g อยู่ในหัวค่ะว่าถ้าเครื่องบินตกจะยังไงถ้าเราเดินเดินอยู่แล้วแล้ว เ, เกิดอุบัติเหตุจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเหมือนเป็นการฝึก ฝึ ก, กทางร่างกายฝึก<อ>ทางใจใ<ช>ด้วย <ฤ S 1> นะทางใจเราก็ต้องฝึก ด, ด้วยว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาค่ะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เจอมาเจอธรรมะนะคะก็ก็ได้แต่แค่คิดไปเล่นๆว่าเออถ้าเราถ้าเราบินบินอยู่แล้วเครื่องบินตกจะยังไงเราจะเตรียมตัวเอเตรียมตัวยังไงใช่ไหะคะพอพอมาฟังหลวงพ่อด้วยได้เลยได้รู้เลยได้เหมือนมาฝึกทางธรรมด้วยว่าโอเคว่ามันความตายมันเกิดได้ตลอดเวลา แล้วก็ไม่ต้องกลัวคือถ้าอยู่ที่ไหนถ้ามันจะตายก็ตายค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อก็มาฟังธรรมค่ะเข้ามาฟังธรรมแล้วก็จะบินเองเมื่อไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้หยุดเออยู่ญี่ปุ่นแล้วมันมาลือนก็บินกลับเมืองไทยค่ะอ๋อได้หยุดยาวนะค่ะแล้วก็หนูกลับไปหนูลาหนูลาหยุดยาวเพราะว่าจะจะขึ้นไปบ้านที่เชียงใหม่ะค่ะจะพาคุณพ่อไป ไปเชียงใหม่ด้วยกันประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะโอเคดี๋ได้ไปภาวนาค่ะว่าจะไปลงไปนั่งที่ที่บ้านดูช่วงนี้หนูก็ได้ได้นั่งสมาธิเกือบทุกวันเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าถ้าถ้านับตามเวลาก็อบินไปที่ไหนพอได้นอนพักก่อนเสร็จตื่นมาหนูก็จะได้นั่งสักประมาณครึง่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรย่างเงี้ยค่ะวันนี้กลับมาก็ก็ได้นั่งไปสองรอบ พรุ่งนี้หยุดก็นั่งด้วยค่ะดีพยายามทำบ่อยๆนะอได้ค่ะหลุงพ่อจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะสมาที่นี่เป็นความสุขที่ดีที่สุดนะค่ะหนูก็พยาย่มเจ้าค่ะอยากอยากพบความสงบจริงๆสักทีค่ะเจอแต่หนังตัวอย่างยังไม่ได้รู้ของจริงสักทียังไม่ได้ของจริงเดี๋ยวก็ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะ ทุกคนสันนี่อันนี้เข้าสมาธิอยู่เลยว<ม>ันนี้แม่จะเข้าด้วยเหรอคะวันนี้แม่บ<ข>อก<ม>กับพระอาจารย์ได้ค่ ะ, ะนะเข้ามาเลยคุณแม่เ <c oughs> อากปหน้าหน้าน้าหน้าหน้าก่อนน้พัทธ์พูดได้เลยคุณแม่ถ้ามีอะไรกา <c oughs> บป้านวัตสการพระอาจารเจ้ค่ะ <c oughs> มีอะไรอ่าเริ่มสังขารเริ่มไปทีละนิดเลยอาจารย์เออถูกเออตอนนี้ตาเริ่มแล้วไปในใจรักแล้วอันนิดกลางทุกขังอัตาแล้วเริ่มจะจะไม่มีตัวตนแล้วก็พยายามนึกอยู่โลกธรรมแปดปล่อยวางอะไรพวกเรารางกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราตาเริ่มไปแล้วเป็นต้อบ้างแหละแล้วก็เป็น หุนว้นลูกตาเสื่อมไปหาหมอสองรอบวะไปจ่ายตาให้หมอสองรอบวะอืมค่ะทุกไม่ได้ทุกคือหมายถึงว่าเริ่มจะกลับไปตามธรรมชาติของเขาแล้วอ่าอย่าไปวิตกกั ง, ง ว, ว<โ>ลวก็ล<โ>ังค<ช>่ะเฉยปล่อยวางแล้วเพราะว่านึกว่าอายุมากแล้วมันเริ่มเริ่มเสื่อมแล้วอะคะ่ะเพราะว่าร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็เริ่มไปจคกคือ จะไปเท่าไหร่ก็ไปห้ามมันไม่ได้นะตาพระเจ้าของนาการนั้นนะตาค่ะเลยต้องนึกดึงไปรักแล้วก็โลกธรรมแปดใจรักก็นิจังทุกขังนัตตาว่าเออมันไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างนั้นนะแล้วก็อพยายามปล่อยวางว่าเออไม่ต้องพยายามพุทโธพุทโธค่ะพุทโธตลอดแล้วก็เวลาว่าง ค่ะตอบใจสมบูรณ์แล้วก็เวลาว่างกลางวันก็ตอนกลางวันอยู่คนเดียวลูกไปทำงานก็ลูกขึ้นมานั่งสมาธินั่งบนเก้าอี้เช้ากว่าจะลูกลงมาจากข้างบนบ้านแต่งตัวเสร็จก็นั่งไปก่อนรอลูกแล้วก็ตอนค่ำอันนี้ไม่ได้ดูทองใช่ัหมดูแบด้านโอ้โหขึ้นจนแบบ ตามไม่ทันพยายามปล่อยวางเลยคะ่ะเพราะว่าพยายามว่าดูตั้งแต่ตื่นค่ะอาจารย์ดูตั้งแต่หกโมงกว่าไม่ได้สักก บ, บาทก็ไม่จริงๆซื้อได้หรอกแต่ว่าคือพยายามปล่อยวางที่พระอาจารย์บอกว่าคือถ้าเราไม่เล่นได้ก็ดีอะไรประมาณเนี้ยก็เลย้ปล่อยวางเนอไม่เล่นเนอก็เลยไม่ได้สักบาทแต่ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้ น, นแต่ก็ไม่ได้เป็นทุ้งนะคะก็ก็หัวเรักกับมันหัวรักกับมันที่มันเออ พอเราซื้อก็ลงเอาลงเอาพอเราไม่ซื้อมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยปล่อยวางนิชักมือแกขึ้นไปไ้เท่าไหร่เป็นแสนก็ไม่เป็นไรแล้วปล่อยวางเล้วน่าจะถึงแสนนะปีนี้ น, น่าจะถึงแสนนะถึงถึงภายในแต่ว่าที่น่าจะสามปีแต่ในภายในนี้น่าจะถึงแปดหมื่นนะคะอยิ่งเราวุ่นวายทางประเทศที่ดีสุดเลย พยายามปล่อยวางพยายามตัดใจว่าอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงมันพยายามอยากฆ่าความอยากเนี่ยได้สิฆ่ายังไงก็ไม่ตายแต่ก็ไม่ได้ไปทุกข์ร้อนในจิตใจไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็เฉยเฉยคือพยายามปล่อยวางพยายามท่องปล่อยวางแล้วก็ว่าใช่ทำตายฆ่าฆ่าได้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วไปเอาไปก็ไม่ได้อยู่ดีขณะนึกถึงคำที่อาจารย์บอกตายไปก็ไม่เอาไม่ได้อยู่ดีอะใจที่มีอะ ที à, ่ม mm ีน okay> ี okay ่ก็ใช้ไปเถอะใช้โอเคแล้วเผื่อไปไอ้หมอมั่งไปไ้หมอสองรอบอ่าคงยต้องไปกหลายรอบนะเกอแจารบอกว่าคงต้องไปอีกหลายรอบไปหมอก็ต้องไปอีกหลายรอบนัดอีกวันที่สี่กุมภาเกก็ดีนะถือว่าเนี่ยเงินทาีไว้ก็เพื่อมาช่วยเราในเวลายามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจ้ แต่มันมีก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะบางทีถ้าเรารู้จักใช้ก็มีประโยชน์ค่ะใช้กับปัจจัยสี่นี่โอเคกับปัจจัยสี่ค่ะอาจารย์นี่ตามมาเลยอาจารย์ตาตู้กับอาจารย์หอยหอยหายเร็วๆนะค่ะหายหายเร็วๆค่ะตาตู้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ตาอาจารย์พยายามพยายามตึก นั่งสมานั่งสมาธิเจริญสติค่ะอาจารย์ในระหว่างที่ศูมก็พยายามสงบใจแล้วก็ตั้งตั้งสติแล้วก็ฟังไปด้วยค่ะก็ได้รับบางช่วงก็รู้สึกว่ามีความมีความนิ่งสงบเย็นอยู่บ้างครับรู้สึกว่าบางทีดีกว่าตอนนั่งเองค่ะพ่ะอาจารย์ในบางช่วงค่ะนั่งเองเราฟุ้งฟุ้งมันไม่มีสติใช่มีโอกาสนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งไป ค่ ะ, ะแต่ตก็พยายามฝุกทุกวันค่ะเอสมาธิที่สําคัญถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่มีความหมายเลยใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องมีสมาธิก่อนแล้วค่อยมีปัญญาปัญญาก็จะทําให้กิเลส ต, ตายหมดได้ค่ะอย่างที่พี่เขาบอกว่าเห็นแต่หนังตัวอย่างหนูนี่แบบว่าแค่หนังตัวอย่างหนูก็แค่อยากเห็น <laughs> ต<อ>นันเนี้ ก่อนหนังตัวอย่างก่อนก็ยังดีพยายามฝึกสติบ่อยๆให้สตตต่อเนื่องแล้วมันก็สงบเองค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามอื่นค่ะขอบพระคุณโอเคครับั้ได้คุณมอต้ากับคุณมอเนี่ครันวางควันนี้ว่างเขามาได้ครับพระอาจารย์ก็จริงๆก็มีมีเวลาเกือบทุกสัปดาห์ครับแค่บางวันอาจจะ มันอาจารย์ทําไม่เล็ดเล็เลนิดนึงครับไม่ทันครับบางทีกำหนดเวลาลําบากครับแล้วก็เข้ามาไม่ทันบ้างเป็นบางครั้งครับอาจารย์ก็เมื่อเมื่อเสาร์ที่แล้วได้มีโอกาสไปฟังทำอาจารย์ทานขุบครับทําด <ๆ S 2> ้นั่งสมาธิด้วยนะได้ น, นั่งสมาธิาค่ะแต่ก็แต่ที่พระอาจารย์พูดตอนจบว่าว่าถ้าท่านนิ่งก็ให้จําไว้แต่ถ้าเกิดยังไม่นิ่งก็ให้ไปมีสติมากๆเนาะของกรณีผมก็ยังยังไม่ไช่นิ่งสงบสักไรแต่ก็ก็เลย น้อมนำว่าต้องมีสติระหว่างวันให้มากขึ้นอย่างที่พระอาจารย์แนะนำเนี่ยให้อยู่กับร่างกายแล้ว อ, อยู่กับพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยไปคิดเพยเจอ้อคิดเพอ้อฝันคิดอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องคิดค่ะจริงครับว่าความคิดบางทีมันมามันมาเรื่อยนะครับมันไม่รู้คิด อ, อะไรกันนะกันนาเขาไม่รู้ครับอาจารย์ก็แล้อย่างถ้าแบบเวลา คือตอนนี้หนูก็พยายามทําอย่างที่พระอาจารย์สอนค่ะคืออยู่กับร่างกายคราวนี้เนี่ยพระอาจารย์แนะนําว่าแบบเวลาถ้าอย่างเวลาเดินอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แนะนําแบบการอยู่กับร่างกายเนี่ยคือหมายถึงรู้สึกแบบทั่วทั่วมยดูการดูการเคลื่อนไหวอือการเดินก็ให้ดูที่การเคลื่อนไหวแล้วเราก็ลังเดินไปตรงไหนข้างหน้ามีอะไรบ้างแล้วไม่มีอะไรบ้างอืมเราเท้าเราใจเราอย่าไปคิดเรื่องอื่น พอคิดเรื่องอย่างนั้นเดี๋ยวบางทีเผลอไปเดินไปช่วยคนนั้นเดินไปช่วยคนนี้ได้ให้มีสตยอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้าร่างกายรับประทานอาหารก็ดููดเรื่องรับประทานอาหารไปถ้าร่างหน้าแปลงฟันก็ดูเรื่องร้างหน้าแปลงฟันไปถ้าฉีดยาให้คนไข้ก็ดูอาการฉีดยา เ, เอาเอปูอกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายอย่าให้ใจไปอดีตไปอนาคตไปที่นั่นที่นี่ ตอนที่หมอฉีดยาไปอาจจะคิว่าเดี๋ยวพรุ่งน้นัดกับเพื่อนไวที่ไหนหรือเปล่าจะเกิดวกความคิดพลาอกลางก็รให้ยู่ในปัจจุบันต้องให้จิตอยู่ในปัจจุบั น, น, นปราจากความปุูแต่่งคะให้รู้เฉยๆตอนนี้หนูก็ฝึกอยู่ในขั้นพยายามดึงตัวเองให้มันอยู่กับปัจจุบันที่สุดค่ะพระอาจารย์เน้ร่างกายนี่เป็นปัจจุบันร่างกายไม่เคยอยู่อันนี้อนาคตมันอยู่ปัจจุบันตลอดเลยค่ะ คือถ้านั่งเฉยๆก็มองลมหายใจแบบนี้ใช่ไหมคะใช่หรือถ้ามองลมไม่ได้อยากจะใช้คํำอธิกรรมก็ได้พุทโธไปก็ได้ส่วนบนไปก็ได้บางทีมันบางทีมันฟุ้งอยู่ลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็ส่วนอิตติพิโสไปก็ได้ส่วนไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงคนก็จะได้ไม่รู้ว่าเราทําอะไรครับก็ฝึกฝึกอันนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์เป้าหมายก็คือคยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิด ขึนเรื่องเดี่ยมันฟุ้งขึ้นหน้าเดี๋ยมันไม่ตกกังวลหวาดกลัววุ่นวายใจยกเว้นแต่เวลาที่ต้องใช้ความคิดเราก็คิดเป็นเรเวลาไปคิดเป็นวิชาการไปคิดเป็นเรื่องเวลาไปคิดที่มันเป็นศาสตร์ที่มันจะต้องคิดที่มันหมายถึงว่าจะเป็นจะต้องคิดอ่ะใช่มีธุระอะไรต้องทำอะไรก็ต้องคิดนค่แต่ไม่คิดแล้วกังวลว่า ห่วงเรื่องนั่นห่วงเรื่องนี้อะไรมันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดมันจะชอบเพลินพอคิดแต่มันจะเหมือนแบบมันจะไปเรารู้ก็ก็กลับมาอยู่กับกายก็กลับมาอยู่กับร่างกายเวลาคิดไปเพลินเพลินก็จะรู้ถ้าคิดไม่ดีก็หยุดคิดดีกว่าจะทําให้เกิดความไม่ตกคกังวล่วายกลัวนี่อย่าก็อย่าไปคิดมันดีกว่าบางครั้งมันก็เป็นการคิดดีแลมันก็เหมือนไปเหมือนไปเพลินคิดเรื่องบุญเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เพลินแต่สุดท้ายก็เอ๊มันก็คิดอยู่ดีก็กลับมาอยู่ ยังไม่ยังไม่น้อคิดคิดเทาที่ยังเป็นได้าคิดเรื่องบุญก็คิว่าอาทิตย์นี้ยังไปทำบุญที่ไหนนี้ก็คิดได้แต่ถ้าคิดแบบไม่มีกําหนดไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลก็อย่าไปคิดเรื่อยๆโอเครับยฝึกสติไปให้มากๆแล้วนั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายค่ะพระอาจารย์จะสงบแล้วจะมีความสุขครับค่ะผมก็พยายามครับอาจารย์ก็ก็แต่ปีใหม่มาก็ตั้งใจว่ากลับมา ถือศีลแปดให้บ้างครับไม่ใช่ก็ว่าบ้างแล้วกันครับอาจจะสักเดือนละสองครั้งเนี่ยครับตอนนี้ครับเขาจไว้อาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันหยุดทํางานวันที่เราไม่ต้องวันเสาร์ที่ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยวันที่สนดวกมันยังเป็นจะต้องตรงกับวันพระเสมอไปพัตตาเขาหายไปนานมากค่ะศีลแปดจนพระอาจารย์พอมาฟังเมื่อตอนต้นปีก็ก็เป็นเลิกงามยามดีได้กลับมาค่ะพราะถ้าตาเขาถือด้วยหนูก็จะเหมือนแบบ มันก็จะมันก็จะได้มากขึ้นเพราะว่าปกติถ้าถือคนเดียวบางทีมันก็หลุดนะคะก็จะกลายเป็นห้า plus เดี๋ยวเขาก็ทำเขากินข้าวเราเห็นเขากินเราก็อดไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องต้องสินเท่ากันถึงจะดีสินต้องสมอกันครับอาจารย์่ะจารยะจะนำไปปฏิบัติครับอาจารย์จะฝึกฝนขอบพระคุณค่ะครับ ก็ลูกตานสินเสมอก็แม่บป่าลูกตาไม่ แ, แม่แม่ แ, แม่สูงสูงกว่าลูกแม่ต่ว่าสการกับแม่แม่สูงกว่าละค่ะตอนนี้ ล, ลูกตาไม่ทันเลแม่สูงแล้วก็ลูกตามไม่ได้หนูยังไม่ยังไม่กล้าขึ้นเขาเลยค่ะอ า, าจารย์กําลัง <laughs> ทํำใจว่าจะไปอยู่เออยังกลัวอยู่นะ กลัวผีค่ะประํานแมเจอหรื่าแม่เคยเจอก็ถามถามทุกค้งแม่บอกไม่มียังไงก็ไม่มีไม่เคยเจอเลยจริงไม่หลอกใช่แม่พี่เราไม่จริงใช่ไหมก็ถามทุครั้งกับพระอาจารย์ว่าว่าตัวหนูว่ากลัวไหมบอกไม่กลัวหลอกอ ม, มันไม่มีอะไรนะ่ากลัวมันอยู่กับความเงียบค่ะใช่สงบก็ ค, คิดไปเองนะอะพี่เนี่ยพี่กัจกบจักร้าวความคิดปรุงแต่งมาเองเุ้ยมาละพี่ วันนี้เสียงพิ่กั๊ที่กั๊กหน่อยมหน่อยค่ะก็ยังถามแม่ว่าบางทีแม่ขึ้นไปแล้วแบบเหลือแม่กุดเดียวแม่อยู่ได้ไหมทําใจยังไงแม่บอกไม่ได้สนใจอะไรเลยใช่ครไม่เคยเจอะไรเลยไม่สนใจคนอื่นอยู่แล้วค่ะต้องฝึกสติให้มากเราจะไม่กลัวเวลากลัวก็พุทโธพุทโธไปแล้วสวดมันไปเดี๋ยวเดียวพอจิตสงบก็หายกลัวเอง มันก็ดีต้องไปเจอเต้องต้องไปต้องไปผ่านให้ได้ผนควกลัวนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนตอนเด็กๆอะ่ะตอนประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหนูเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วแล้วหนูเหมือนกับว่าอยากอยากเข้ากุฎเดี่ยวอะค่ะก็ออขอพระอาจารย์ท่านเข้ากุฎเดี่ยวท่านก็บอกว่ายังไม่ให้เข้าสติยังไม่พอหนูก็บอกหนูอยากเข้าพอเข้าไปคืนแรกหนูแบบหนูกลัวจนสัน่นหนูก็เลย สติแตกสติแตกค่ะทั้งที่ก็มีก็มีแบบแม่ๆเขาก็อยู่ล้อมรอบนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็สติแตกกลราไม่ได้ค่ะแล้วหนูก็เลยไปขอว่าขอกลับไปอยู่รวมอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่จนหายไม่งั้นมันมันจะมันจะไปไม่ได้บอกให้อยู่ให้อยู่ไปเลยกลัวก็ต้องให้ทนไปอ่าดี แล้วก็เราก็สั่งล้วก็สั่งพวกพี่เลี้ยงว่าถ้าถ้าถ้าลูกตาลขอกลับมานอนรวมไม่ไม่ให้นอนนะให้กลับไปนอนกด ต, ตัวเองครับลงโทษท่านหน่อยอยากจะเล่าเลยนะอยากจะเล่ามันต้องสู้ไม่ถอยเค่ะเพราะตอนแรกท่านบอกแล้วว่าไม่ไม่ให้ไป อ, อยากไปเดือ<ค>ดอเองนี้เดือดอะไรค่ะ แต่เนื้อว่าที่เขาว่าสงบค่ะเหมาะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากเลยค่ะออการเข้าสมาธิการสมิไม่มีอะไรมารบกวนอยู่กันค่ะถึงถึงไม่อยู่กันอยู่กันหลายกุฏก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ไม่ได้ยุ่งกันอยู่แล้ว่ะันจบต่างกันมันก็เราอยู่คนเดียวมันก็เราอยู่คนเดียวมันสงบมากเพราะว่า ไปอยู่ตรงนั้นมันมีอย่างเดียวคือหน้าที่ของเราคือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญทําสติจเจริญสมาธิอะไรแบบเนี้ยอยู่บ้า น, นมันต้องอยู่กับอิริยาบทย่อยอ่ะค่ะอยู่ว่ามันยังอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เดือนนั้นเดือนนี้แล้วก็ทํางานบ้านแต่หนูก็จะอยู่กับอิริยาบทย่อยแบบภาวนาพุโทโธไปด้วยเอก็ อ, อ, ยอยู่กับร่างกายไปนั่งกายทําอะไรก็เฝ้าเฝ้าดูมันไปเฝ้าดูค่ะ S <S แต่ถ้าดูถ้าดูลมหายใจยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยครับอาจารย์ถ้ตอนเรานั่งสมาธิค่ะอืมถ้าภาวนาะพุทโธบางทีมันก็ยังยังรู้สึกเหนื่อย<ช>แต่ถ้ดูลมหายด<ร>ีวกว่าใช่หลยมากใช่าค่ะนี่ถ้าดูลมได้ดีที่สุดถ้าลมนี้ก็จะพาเราเข้าสูขขส่ความสงบไดค้ค่ะค่ะเ อ, อพระอาจารย์ค่ะหนูหนูทอดกันเทศแล้วหนูมีความสงสัยว่าที่พระอาจารย์บอกว่า ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเมื่อตายไปแล้วบุญจะดึงให้เราไปไฟสุขไปสุขคติตแล้วแล้วพอหมดจากสุขคติแล้วเราจะต้องลงมารับผลบาปอันที่มันน้อยๆ้อกว่าบุญด้วยไหมคะยังพอมันพอพ้บุญมันลงมาเท่ากับบาปบาปก็เดินไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงไปอยู่ในสวรรค์ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ก่อนอช่วงที่บุญกับบาปเท่ากันเนี่ย แต่บาปมันก็ยังสะสมอยู่ในบัญชียั ง, ย, งยังอยู่บัญชีอยู่เพคะตอนนั้นบาปกับบุญมุญก็ยังมีสะสมอยู่ในบัญชีอยู่แล้วบุญกับบาปมันมีกําลังเท่ากันบุญก็เลยไม่สามารถถึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถถึงให้ไปอบายได้ฉะนั้นก็มาอยู่ตรงตรงตร ง, ตรงพบของมนุษย์เนไนง ต, ตอนที่เราตตอนที่เราประกาศเป็นมนุษย์นั้นบัญชีบุญกับบาปเท่ากันเท่ากันห้าสิบห้าสิบค่ะบาปห้าสิบบุญห้าสิบ แต่ตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรามาทําบาปมากกว่าบุญเราก็จะไปตกอบายถ้าเวลาตายไปมันก็จะไปอบายทันทีถ้าบาปมากกว่าบุญแต่ถ้าเรามาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งทําบุญมากกว่าบาปเราก็ยังไมสวรรค์นี่ก็กลับไปสวรรค์ก็มีวัยตายเกิดในสุคติไปเรื่อยๆถ้าเราทําบุญมากกว่าบาปค่ะนั่นําเป็นที่เ้อรักษาศีลให้ได้ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ไปอบายได้เลยค่ะศีลห้าข้อนี้เองอย่าไปอย่าไปทําเลยโดยเด็ดขาด พาลิยะทุกองในท่านและไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดนะท่านจึงไม่ไปเกิดในอาบายท่านปิดประตูอาบายได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนะี่ยท่านเห็นโทษของบาปถ้ารู้ว่าทําไปแล้วจะต้องไปตกนรกต้องไปตกในอาบายท่า น, นอะไรไม่ทําเลยยอมตายยังกะทําบาปนะนพยายามทําบาปยพยายามรักษาศีลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พยายามทำบุญไปเรื่อยๆสะสมบุญบุญไปเรื่อยๆบุญก็มีหลายรูปแบบเนี่ยช่วยหมาช่วยอะไรช่วยคนก็ได้ช่วยหมาก็ได้ใส่บ่ายก็ได้มันมีหลายวิธีคือการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเน่ยทำความสุขให้กับคนอื่นแล้วความสุขนั่นแหละมันก็จะเป็นบุญกลรมมาหาเราค่ะอาจารย์ทำความดีไปเรื่อยๆอแล้วอย่าทำบาปตายไปบัญชีบุญมันจะต้องมากกว่า บ, บาปอย่างแน่นอนค่ะ มัก็จะไปสมปติพอลลบุญกรรมาเท่าบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาทมําบุญใหม่มากกว่าบาปีลยวตายมันก็กลับไปกลับไปสวรรค์ใหม่จนกว่าเราจะอยากจะไปไกลกว่า น, นั้นเราก็ต้องเปลี่ยนจากการรักษาสี 5, ่หน้ามาเป็นรักษาศี่แปดแล้เปลี่ยนจากการทําบุญมานั่งสมาธิแทนมาฝึกสตินั่งสมาธิแล้วเราก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าชั้นเทพคือชั้นพรหม ถ้าได้ชานแล้วก็เข้าสู่สอวนชั้นพรหมแล้วถ้าได้ปัญญาก็เข้าสู่อริยภูมิต่อไปแล้วก็ไปถึงนิพพานใ น, นที่สุดทีนี้ถ้าถึงนิพพานแล้วก็ไม่กลับมาแล้ะกิเลสที่พาให้เรากลับมามันมันถุกนิถูกปัญญาทําลายไปหมดนะมีปัญญาเท่าน ท, ที่ทาลายกิเลสได้สติเพียงแต่เพียงแต่กดมันไว้แต่ทำลายมันไม่ได้ พูดีจะทำลายกิเลสได้ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นตายรักต้องเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์มันจะได้ไม่อยากได้ที่มันอยากได้ยังหลงเชื่อมนเป็นสุขอยู่ใช่ไหมต้องเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเป็นอันนี้จังมือนเป็นหน้าตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นภาพอย่างนี้มันก็จะเลิกความอยากได้พออย่าอยากอะไรพอเห็นตายรักพอไม่เอานี่เป่า อันนี้ต้องทุกข์เมือนนี่ก็ว่าถ้าถ้าถ้ากินเครื่องเดลืองอันนี้ก็จะเป็นมะเล็งนี่จะกล้ากินไหมไม่กินอ่าไม่กินใช่ไหมค่ะเหมือนกันเนี้ถ้าเราไม่รู้ว่เครื่องเหลืองเนี่ยเรจริเดลืองเนี่ยมันจะทําให้เรากลับมาเกิดเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่มันไม่มีให้เรากินเวลาเราอยากกินขึ้มนมาแล้ไม่มีให้เราเดื่มเราก็ยังต้องทุกข์มันไม่เทียมมันไม่แน่นอน ของไม่อย่างก็มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วกราวแล้วมันจะทําทให้เราไม่อยากจะมีว่ามีเราเดี๋ยวต้องทุกข์กับมันเวลามันหมดแล้วเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปต้องเห็นตายรักมันจะ ห, หยุดความอยากได้เน <Okay. S 1> าว ต, ต้องเลื่นขั้นไปตอนนี้อ๋อศีลห้าให้หน้าก่อนเราท mm ํา hmm. บุญไปเรื่อยๆ พอมีกําลังมากขึ้นก็วันท้าก็มาถือศีลแปดทั้งวันหนึ่งหลังจากนั้นไปนั่งสมาธิไม่ดูหนังฟังเพลงแม่อะไรทั้งสิ้นไม่หาความสุขจากรูปเสียงกินรถเราก็เพิ่มไปเรื่อยถ้าได้ผลดีนั่งสมาธิได้ผลดีการ จ, จะเพิ่มวันปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากหนึ่งวันเป็นสองวันสามวันไปตามกํากลังของเราเด็วก็ไปบวชได้ คือคือการเลื่อนขั้นยังไงสินห้าก็ไม่พอยังไงก็จําเป็นที่จะต้องสีนแปดขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าจะเลื่อนขั้นจากจากชั้นเทพขึ้นไปชั้นพรอมเนี่ยต้องต้องนั่ต้องไม่ไม่ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคือต้องไม่เสพเลยอาไม่เสพเขเรียกว่าอะไรเนคขม่าไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสฟันปฏิบัติในคขม่าเพาพวกที่ถือสินแปดเนี่ยก็พวกในคขม่าเท่านั้น หาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนหาความสุขจากความสงบแทน <Okay. S 1> พอจิตสงบเป็นฌานก็เป็นพรหมขึ้นมาจิตก็เป็นพรหมขึ้นมาจากเทพมุตรกลายเป็นพรหมมา <Okay. S 1> จากพรหมกกลายเป็นพระอริยะเจ้าต่อไปถ้าเจริญปัญญาพิจารณาตายรักเห็นว่าทุกสิ่งร่างกายเป็นตายรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เอมเราปล่อยวางร่างกายได้ก็เป็นโสดาบันขึ้นมาได้ เหนร่างกายเป็นสุภาพก็ตัดการมันลมได้ก็เป็นผ้านาตาเมขึ้นมาเห็นจิตว่าเป็นตายักเป็นอนิจจทุกขงังอนตัตตาปล่อยจิตได้ก็เป็นผ้าอาหารหันขึ้นมาข้านั้นเนีมีแค่นี้เอง แ, แค่นี้เองน ะ, ะปล่อยกายปล่อยเวทนาแล้วก็ปล่อยจิตเลยถ้าถ้าอย่างนั้นคนที่เออยังต้องไป เป็นสัญญกรรมดึงหน้าดึงตาอะไรนี่ก็ยังยังไม่ยังไม่โสดายังไม่โสดานโสดานี่เห็นความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาขี้เกียจไปไปต่อต้านยอมรับสภาพเียก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ต้องไม่ต้องไปล้างมันไว้ใช่ไหมเคยเคยได้ยินมาว่าวโสดาบันก็ยังรักสวยรัก ง, งามได้นะดึงหน้าฉีดหน้าได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกโสดาบัน แม้กระทั่งความตายความแก่ยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวเลยเผชิญมับมันได้ความเจ็บคไายได้ป่วยอัไรอย่นี้เขาไม่ไ ม, ไม่เขาไม่มาสนใจในเรื่องของความความสวยความงามของร่างกายของตนแต่ยังยังหลงรักความสวยงามของคนอื่นอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่เห็นร่างกายของคนอื่นีว่าสวยว่างามอยู่แต่ร่างกายของตงนเองไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แนละ้วเพาะรู้ว่าต้องแก่เจ็บตายอยู่นี่ค่ะ แต่พอมองคนอื่นลืมไปว่าเขาก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันยังมองเขาว่าเขาหน้าตาหน้ารักหน้าชมอยู่อยากจะอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้เขาก็มีความสุขต้อใช้อสุภาว่าต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องพิจารณาพอรู้ว่าเขาต้องแก่เจ็บตายเหมือนเราเนี่ยว่ะก็ไม่ไม่เอาดีกว่าไปอยู่กับ า, ากศพทําไมไปรักซากศพทําไมคนเรนที่ก็เป็นศพเดินได้ดีๆนี่ใช่ไหมหน่ากายของเรนเนี่ย อครยังเป็นเป็นซากศพต่อไปเนะลยเร่างกายของเรานี่แหละพอไม่หายใจปั๊บร่างกายเป็นซากศพขึ้นมาทันทีใช่ไหมเราให้สวยให้หล่อขนาดไหนการก็ไม่เอาละพอตายมนะันจะยกให้สับเปลเเลยใช่ไหม <laughs> แต่ถ้ายังไม่ตายเขามาแตะไม่ได้เลยใช่ไหมฆ่ากันได้เลยใช่ไหมพเพราะเลยว่ามันเป็นซากศพเลย พอพอมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าเป็นซากศพตลอดเวลามันก็ไม่เอาเราเลืมไปว่าเป็นซากศพเดินได้ดีๆนี่เรามันเป็นซากศพร้<บ>รอยเปอร์เซ็นตากศพถูกไหมถ้าเราดูร่างกายแ ต, แต่สมมุติว่าถ้าเราดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้เป็นภาระอันนี้ไม่เป็นไรมีการรักษาพ mm hmm. ยา บ, บาลก็ยัง mm hmm. ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่แล้วว่าต้องมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แข็งแรง ถ้าเจ็บไค้ได้เปื่อยอาจจะไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติทำได้เต็มที่ใช่อืมแต่ก็ไม่ยึดเกินเกินเหตุเกินผลถ้ามันรักษาแล้วมันรักษาไม่ได้ก็ต้องยอมรับดูดีเท่าไหร่ก็ไปเจออุบัติเหตุขึ้นมาก็ทำไงได้ก็ต้องยอมรับใช่ั้ยอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเป็นสมดานจนไม่ทุกข์กับร่างกายแก่เจ็บตาย อาจจะไม่ได้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของคนอื่นไม่ยังไม่พิจารณาการสารเสียสาและพิจารณาซากศพของคนบางคนทุกคนในที่สุดก็ต้องกลายเป็นซากศพไปทั้งนั้นร่างกายคนทุกคนไวลาเขาก็เหมือนเขาเราไปรักซากศพที่จะเป็นซากศพในอนาคตดีๆเนี่ยเพียงแต่พอไม่หายใจวันนี้ก็ไม่เอาแล้วอ่ะยังไม่ทันเน่าเปื่อยในเพียงแต่รู้ว่าเขาไม่หายใจนี่ก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยใช่ไหม ก ล, ลัวเลยค่ะต้องให้มันกลัวเวลาเกิดกิเลสเกิดความรักใคร่เขาขึ้นมาต้องให้มันกลัวจะได้ไม่กล้ารักเขาคิดถึงอสุภาะก็ได้คิดถึงความตายก็ได้คิดว่าร่างกายต้องเป็นซากศพต่อไปท่านนี้มันก็ดับการมาลาค้าได้ลนะอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นโสดได้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้มันจะไม่เห <ๆ S 1> งา ใช่ที่คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ที่เหงาเพราะว่ามันอยากจะมีแฟนอยากจะมีเพื่อนพออยู่คนเดียวมันจะเหงาแต่พอเราไม่มีความอยากมีแฟนอยากมีเพื่อนเราอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกเหงาเฉยๆถ้ า, <ว> ถ, าถ้าปฏิบัติทำได้ก็ <c oughs> จะไม่ไม่เหงาใช่ถ้ามีสมาธิแล้วก็ไม่เหงาแล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปก็จะไม่เหงาแล้วอยู่คนเดียวได้แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่กลัวไม่กลัวว่าเหมือนก็ไม่กลัวอนาคตอะค่ะ มันเหมือนใช่เราอยู่กับแค่ปัจจุบันใช่อนาคตเราก็ห้ามมันไม่ได้กำหนดไม่ได้เราจะเกิดก็ต้องป่อยใหเกิดไปอย่างสมัยก่อนาจะมีความกังวลแต่ตอนนี้มันก็ต้องเข้าใจนะว่าอนาคตมันเราเป็นสิ่งที่เราเป็นดนหน้าตาเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่รู้สึกว่าเหงาเนี่ยอันนี้ไม่เคยไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเลยค่ะเออมันเรามบิวเบคาแล้วมันก็จะไม่เหงาอโอเคนะเข้าใจได้ยัง เข้าใจค่ะพระอาจารย์ขั้นบันไดที่เราต้องก้าวต่อไปสินห้าทำทานคู่กับสีนห้าไปทำบุญทํำทานคู่กับสินหน้าหลังจากนั้นก็เป็นเป็นศินแปดคู่กับภาวนาะนะนะครับภาวนาขั้นต่อยก่กอนสมาธิก่อนสมาธิก่อนพาได้สมาธิแล้วก็ค่อยไปวิปัสสนาคือปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาลีลาสัจีบางทีหนูก็บอกเขาว่าถอดเยี่ยมได้แล้วถอด ถอดเด็กอนุบาลได้แล้วขึ้นชั้นทัอืีแล้วที่เทที่ถาดถานี่พี่เขาเอาไปเอาไปลงเฟซบ้างเปล่าก็ว่าอั น, นอันนี้ยังไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ค่ะแต่ว่า ท, ที่ที่ส่งไปเขาคงจะขั้นเลือกลงเฟซไปแล้วใช่ไหมรู้สึกน่าจะมีบ้างค่ะแบบว่าถอดเป็นเป็นประโยคค่ะอาจารย์อ่าเป็นประโยคสัน้น ๆ, ๆก็ไม่ได้ลงทพิ่กันนะค่ะ ก็ส่งให้ทั้งการนะใช่แต่ส่งให้ทั้งการส่งไปทั้งกันแต่เขาจะมีเน้นข้อความเป็นเป็นประโยคประโยคแบบไฮไลท์ประโยคไว้ให้อย่างเงี้ยกันก็อาจจะรวบรวมไว้ให้เพิ่มเป็นหนังสือต่อไปค่ะก็ก็เก็บเอาไว้เผื่อใครจะเอาไปใช้ก็จะได้มีใช้ได้เลยค่ะอืมดีกวจะพยายามแบบพอเก็บมากเราก็ได้ประโยชน์เราได้เราได้เราได้ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาค่ะการถอนเที่เราต้องเราต้อจดต้องจํเราต้องเข้าใจเนี่ย เขาก็จะได้ความรู้จากการเขาเรียกสุตตมัจจปัญญาได้เรียนรู้ธรรมะการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างนี้เข้าใจเข้าใจก็จะได้สมาทิฏฐิอย่างนั้นได้สัมมาทิฏฐิอย่างนั้นได้ได้ธรรมะมาคุยกับเราได้บางคนยังไม่ได้ศึกษามาพูดเขาไม่พูดไม่รู้เรื่องเรื่องราวเหล่านี้แต่งว่าเรามีพื้นฐานธรรมแล้วแล้วเข้าใจหลักธรรมแล้ว น, นูกนูกับเขาก็จะคุยกันทุกวันนะคะเรื่องเรื่องราวเหล่านี้คารเรื่องธรรมสอนธรรมธรรมก็เป็นวงกลอย่างยิ่งอย่างเลยอยากคุยเรื่องธรรมอย่าไปคุยเรื่องโลกอย่าไปคุยเรื่องราบลดสรรเสริญค่ะเขาก็บอกบางทีเขาอยากได้บ้างอยากให้จิตเข้าสมาธิเราก็ต้องฝึกค่อยๆฝึกไปแต่ว่าแต่หนูเองก็ไม่ได้ไม่ได้แบบได้อยู่<อ>นานก็ได้แบบในกานยานามิตรเนี่ยได้เพื่อนที่ดีได้แบบก็มีความฝึกแล้วค่ะพร<ด><า>ะอาจารย์ ได้ครอบคนที่เขาเก่งกับเราฉลาดกับเราเราก็จะดึงเราถ้าครอรที่ง้อกับเราเช่นไปเล่นทองคานี้ชวนไปทองคำด้วยเนยเราก็จะถูกคนดึงไปได้ค่ะหนูไม่มีเลยค่ะเรื่องหุ้นก็ไม่มีทองไม่ไม่ได้เล่นอะไรกับเขาเลยค่ะไม่ว่าจะซื้อหวยไม่มีเลยค่ะไม่เล่นเพราะว่าไม่มี ไม่มีเลยค่ะไม่มีความรู้ที่จะเล่นด้วยค่ะพระอาจารย์ตัวนัุกไม่มีทองโลกก็ทำยังไม่สนใจนะมีซื้อเก็บไว้สําหรับเอยามจําเป็นไม่ต้องเครียดแล้วค่ะขึ้นลงเท่าไหร่ขอไม่มีแต่ว่าไม่ได้ซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้หรือหุ้นทองเนี่ยไม่มีค่ะเล่นไม่เป็นด้วยดีป่วยก็ไม่ซื้อก็ไม่ว่าใต้ดินบนดินเลยหนูก็ไม่เอาเลยนี่แหละ เอาเงินเก็บเงินออมก็พอเก็บไว้สำหรับเวลาจำเป็นจะต้องใช้จะได้มีใช้ได้ค่ะโอเคสาธุขอบคุณค่ะคุณมาิกาต่อดาราทิวาจากนิทรัศการเจ้าขะพระอาจารย์ก็ลูกก็ปฏิบัติอยู่นะนะแต่ว่าวันนี้มันมีมันมีอารมณ์อย่างหนึ่งก็ว่าคิดแบบ เกียนมาหกปีนะคะอาจารย์ก็มีความรู้สึกวันนี้ว่าเออนะจากจะไปทำงานเป็น้าะการต่อมันคิดอย่างนี้คือเราเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วเราการปฏิบัตินั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้แต่ว่าพอเราเอาจิตไปผูกกับ สิ่งที่อดีตที่ผ่านมานี่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่คิดเลยอันนี้<ม>ให้นู้เฉยๆนะอยู่ในปัจจุบันถ้าจะคิดการคิดเปในทางธรรมะคิดเป็นในทางตายรักคิดเป็นในทางอริยาาสัจสีการคิดอย่างนี้คือการไปผูกจิตหรือว่ายัางไรหรือพระอาจารย์เป็นรักตั้งแต่ความคิดเป็นความรู้มันจะสอนให้เราโง่ลุชลาเนี่ยถ้าคิดเป็นในทางกิเลสมันจะสอนให้เราโง่ ถ้าจะคิดไปทางการห า, หาเงินหาทางหาลางหายนเนี่ยมันเป็นกิเลสพ<ช>าให้เราคิดพยายเราโง่พายเราหลงทางแต่ถ้าคิดไปทางธรรมะเฉันคิดว่าโลกนี้เป็นไตายักอันนี้จังทุกข์กังนัตตาไม่มีอะไรที่เราเลี้ยได้อยากจะไปได้มันเป็นของเราเลยอันนี้เป็นปัญญาเป็นสมาทิฏฐิพอว่าคิดเสร็จแล้วเราก็ทุกข์อืมอเราก็มันเป็นพราะมันเป็นวิชาทิฏฐิมันก็เลยทําให้เราทุกข์ ถ้าราคิดทางปัญญามันจะทําให้ใจเราสงบใจเราเย็น<ก>ไม่เอาอะไรดีกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วอย่างเนี้อันนี้เป็นปัญญาครถ้ายังอยากไ ด, ดได้นู่นได้นี่ย่างกังวลอะไรอย่างนี้แสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่ลุง ไ, ไ, ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเออนะ้ตั้งแต่กเกษียณมานะั้นไม่เคยคิดถึงที่ว่าจะกลับเข้าไปในโรงเรียนหรอกพ อ, พอ คิดยังไงเนาะราจะกลับเข้าไปที่จะไปไปทำงานที่โรงเรียนอีกเอ้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ก็เกิดไวามทุกข์ขึ้นมาที่มันหลบซ่อนอยู่ถึงเวลามันมีจังหวะมันก็โผล่ขึ้นมาได้นี่คือคอยเฝ้าต้องมีสติคอยเฝ้าดูีความขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันคิดไปในทางโลกกระทำให้มันคิดไปในทางธรรมคิดว่าไม่แก่เจ็บตายคิดว่าเป็นอนิจจังเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปอยากได้อะไรคินแบบนี้ดีกว่า อะไรที่เขาบอกว่าอะไรก็ได้ที่มันฝังอยู่ในจิตก้นบึ้งของหัวใจและลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่มันบางทีมันอยู่ใต้จิตสํานึกเราบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาได้ผล่ขึ้นมาเราต้องรุดทันมันต้องพูดโธพูดโธให้ให้มันสึกหายไปให้ได้พูทโธก็เพียงแต่หยุดมันชั่วคราวเดี๋ยวมันพอพูดโธหายไปมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้ เราใช้ปัญญาบอกไอ้นี่เป็นความคิดผิดคิดไม่ดีคิดพ้ให้เราไปเท่าหางกองทุกคิดให้เราไ ป, ไปเป็นว่าตายเกิดต้องคิดแบบนี้มันจะยัดกันได้ขอบคุณมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกไม่มีคำถามว่าลูกก็ปฏิบัติอยู่นะพระอาจารย์โอเคสาธุ <Okay. S 2> อ้าวปุ้ยเอหรือเปล่าวันนี้เหมือนเดิมทุกวันเลยทว่าทิศเลย่านวัสการําวาชาารไม่ใช่เอไอควันนี้ โยมอะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่วันบริหัทที่แล้วออมาจนกระทั่งถึงวันนี้และเมื่อวานนี้วันครบรอบวันเกิดพระเออหลวงปู่มั่นโยมก็ปฏิบัติไม่ได้ออกไปไหนเลยคะ่ะแล้วพอดีว่าโยมมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะถามพร ะ, าะอาจารย์ค่ะคือว่า โยมฝันและโยมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฝันอะไรไง่ายหุ่นดางดังไหมเลยไหมหุ่นังดั ง, ดงยโยมฝันค่ะโยมฝันถึงคนหนึ่งซึ่งโยมเคยช่วยเขาน้องเขาเป็นไม่เคยเจอหน้ากันหรอกแต่ว่ารู้จักกันทางออนไลน์และน้องเขา่เป็นคนที่น่าสงสารแล้วโยมก็เคยแนะนําเขาหลายปีที่แล้วว่าให้เข้าไปหาอาจารย์ เขาก็ไม่ได้เข้าไปแล้วทีนี้เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโยมก็ช่วยเขาไปโยมก็บอกเล่าให้น้องหล่าวฟังเมื่อปลายปีที่แล้วทีนี้โยมก็ยุ่งๆเกี่ยวกับคริสต์มาสเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมโยมก็ลืมไปเลยไม่ได้กลับไปดูข้อความแล้วพอดีโยมก็เอ๊ให้ผ่านมาตั้งเดือนนึงแล้วทําไมเขาถึงไม่ติดต่อเรามาวะเราก็จะไปสวัสดีปีใหม่กับเขาแต่ทีนี้พอส่งข้อความไปมันเหมือนกับว่าเอโทรศัพท์นี้ปิด แต่โยมก็คิดว่าเอ๊ะความฝันเราหรือว่าน้องเขาจะไปแล้วว่ะเนี่ยโยมก็สงสัยเพราะว่าเขามาบ่นกับโยมว่ารู้สึกปวดตอนเมื่อเดือนเดือนกว่าๆเขาบอกว่าเขาไปไม่ไหวแล้วโยมก็บอกว่าลองพุดโธนะลองพุดโธรไปและก็แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปให้เขาฟังโยมก็สงสารเขาเขาอายุยังน้อยและเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแต่สงสัยว่าเขาจะมาเตือนโยมหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะ แต่เขาแในฝันนะเขามาขอบคุณโยมอือฮโยมก็เลยแผ่บุญไปให้เขาเมื่อเช้าเนียะค่ะพระอาจารย์เ้าเวลาเราเห็นคนเจ็บคนแก่คนตายเนี่ยพระเจ้าบอกให้เราโอปะนายโกน้ำเข้ามาหาตัวเราร่างกายเราก็ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเขานะจะได้ไม่ประมาท<ม>จะได้รีบทำทัพกิจที่เพิ่งเพิ่งกระทำเพื่อให้จิตได้หนุดพ้นจากความทุกข์ ่อนที่เราจะเจ็บจะตายเข้ใ<ช>าใจไหมเข้าใจค่ะโยมโยมแบบไม่ได้ว่าจิตตกหรืออะไรแต่โยมนึกได้เลยว่าเวลาคนเราเนี่ยมันสั้นจริงๆโยมก็เลยคิดว่าอย่าประมาทเราจะให้เลืถึงความตายทุกคาหมหายใจเข้าออกไงใช่ค่ะโยมก็เลยเดินทางธรรมโยมบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดที่โย ม, มเดินมาพระอาจารย์แล้วก็มาถือศีลแปดแล้วโยมก็เลย อน่าเสียดายที่เวลาของน้องเขามีน้อยและเมื่อโอกาสมาหลายหนน้องเาก็ไม่ร่างกายวันนี้โอกาสที่มันจะดีกว่าวันนี้มันไม่มีนะไม่นแต่ย้เร็วกว่าวันนี้ทุกวันทุกวันที่ผ่านไปมันไมนไม่เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเด็กวันพรุ่นี้จะดีกว่าวันนี้แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะวันพรุ่นี้มันจะเร็วกว่าวันนี้นะพอใจไว้ร่างกายของเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้นี่ทํากิจ อย่าประมาณพระาอาจารย์ถ้าโยมเป็นอภิมหาเศรษฐีโยมจะช่วยเพราะหลายคนเลยน่าสงสารจริงจเออช่วยก็ตอนนั้นแหละถ้าช่วยทางเงินมันไม่มีทางต้องช่วยทางธรรม ช, ช่วยทางธรรมดีกว่าให้เขามีดวงตาเห็นธรรมดีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถซื้อดวงตาเห็นธรรมได้<ม>ได้ทำให้เขา<ม>ข้อหาว่า พรา ะ, ะทาคําสัอนของพร ะ, จะเจ้าให้เราศึกษาปฏิบัติดีกว่าโอเค <Okay, S 2> นะอ่าค่ ะ, คะพระอาจารย์โยมก็ตั้งใจตั้งใจสร้างบุญสร้างบา ร, รมีทุกวันเลยค่ะอืโยมไม่เล่นหวยแล้วนะพระอาจารย์หวยไทยโยมไม่เล่นแล้วเล่นเล่นหวยลาวแทนไะงไม่ไม่ลาวก็ไม่เล่นไง <laughs> แต่หวยยุโรป <laughs> กนั <laughs> นมีก็เล่นสีถนนชยัยไม่เล่นหวย วงเลี่ย <laughs> ไม่แบบเขาไม่ได้เรียกหวยอะ่ะว่าจะไม่เขาเรียกลอตเตรีร่ลอตโตโอ้อาลอตโต้ลอตเตอรีรอ่โอเคไม่ได้เล่นเยอะเล่นเออแล้วนะแล้วแต่ตามใจ okay, <c oughs> นะโอเคนะยมน้อมถวายทุกบุญทุกบารมีกับพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้ไป์ค่ะเจ้าค่ะ ขอพรเจ้าค่ะอ่าให้ศุกให้เจริญมั่งมีศรีสุขร่มเย็นเป็นสุกแ์เ้าคาดปลอดภัยถูกหวยทั้งมวดนะสาธุเจ้ า, าค่ะขอให้วิชาธันทานขันเฉ็งแรงเจ้าค่ะ่าธุอ่าคุณจใช่หมไอ้ผู้อินของคุณใจเออเก้าคะได้ยได้ยินหนอยค่ะไม่สบายไม่สบายเป็นหวัดนะใช่เ่าเป็นวัดค่ะ ก็ของงูก็ฝึกอยู่กับคนตลอดเวลาค่ะอะมาสังจับแต่ตอนเนี้าตาสว่างเลยตอนเช้าใส่บาตนี่ตาลืมไม่ขึ้นเลยยังไม่พอยังไม่ง่งวงเลยไปยังไม่ง่วงนอนเลยค่ะธรรมดา น, นอนกี่ทุ่มอะทุ่มก็เพิ่มเติมทุ่มมิน่าตื่นช้าไม่ไหวตื่นเ้ามาใส่บาตไม่ไหวทีแต่ว่าหนูก็ หนูว่าลกไปตลอดหนูไม่สนใจเพราะว่าเป็นสิ่เดียวที่หนูทำไม่เขาได้ในตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เนื่องมาเถอะเนื่มาทำความดีไม่เป็นไรแล้วหนก็เรียกเขาตลอดเลยเขาแต่ก็ลุกอยู่ดีนั่นแหละค่ะหนูหมายถึงว่าหนูว่าฝึกอยู่กับคนฝึกอยู่กับอารมณ์คนตลอดเลยแต่ว่าแต่ว่าหนูอย่าไปยุ่งกับเขาท่านเองเขาจะปฏิเชื่ช่วยกันเรื่องของเขาแต่หนูรู้สึกอย่างหนึ่งคือว่าหนูฝึกเฉยมากขึ้นแล้วค่ะเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอ เขาเป็นกล้วยอย่าไปห ย, ยาดเขาเป็นมะละกอไปเขายก็เป็นกล้วยไปเขาเป็นอย่างนี้ก็าไปเขาเป็นอย่างนี้ไปออย่ามาให้เขาเป็นเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกไปไปว่าใช่ไหมไม่ไม่ทุกเขาไหร่เราเอาใชได้แล้วเอวางใช้ถ้าไม่ใช้ก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันจะตอบเราจะทำอะไรก็พุทโธพุทโธอย่าทำนี่กว่าเฉยๆดีกว่าอะ ย huh? oh, okay. well> uhh exactly ิ่งทำยิ่งพูดยิงยิ่งยิ่งเป็นเรื่องเวลาขึ้นไปใหญ่จริงค่มีคำพูดเขาว่าให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเข้าใจไหมเข้าใจจริงเลยคเคลื่อนไหวยังไงเขาปล่อยว่เคลื่อนไหวไปแล้วนิ่งซะอย่างเดียวด็กเก็นิ่งเองจริงค่ะหนูนูนููเช่อนำไปไปบัตรค่ะออ่ะแล้วหนูไปใส่บาตเหมือนเดิมค่ะโอเคสาธุคุณตายเจ้า มันตายหนึ่งแฟนมาได้นะคะที่แล้วแล้วเขามาเองก็ mm. อยากจะมาเองก็เขาอยากจะมาตั้งนานแล้วคะ่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังไม่ค่อยไม่ <Okay. S 1> ไมไวเท้ายัางไม่ดีพอแต่ก็จะไปเหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์หายดีแล้วคะ่ะดีขึ้นแล้วค่ะก็พยายามทําทให้มันดีขึ้นครับเ <c oughs> ข้าวงจรเดิมครับฟังเทศบ้างวนั่งสมาธิบ้างช่วยได้เยอะนะเท้าช่วยจิตใจเย็นลง ใช่คะ่ะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรคะ่ะเข้ามารับฟังทำพระอาจารย์คะ่ะโอเคแล้วนั่งสมาธิทุกวันได้ยังก็พยายามทำทุกวันคะ่ะพระอาจารย์ก็ได้นิดหน่อยออนาทียี่สิบนาทีก็ทำไปคะ่ะพระอาจารย์รสงบนี่มีคุณค่ายิ่กว่าเงินเป็นร้อยเป็นเป็นพันเป็นแสนนะเจ้าค่ะอยากจะได้สักนิดหนึ่งก็มันก็ไม่ได้สักที ก็ไม่ทํำเลยทําบ่อยๆต้องทำบ่อยๆทำมากๆตาองฝึกสติต้องฝึกสติทั้งวันด้วยอคอยควบคุมใจอย่าให้มันลอยไปกับความคิดต่างๆผูกไว้กับพุทโธก็ได้ผูกไว้กับร่างกายก็ได้เจ้าค่าพรอาจารย์จะพยายามค่ะเออแต่เวลานั่งสมาธิมันจะแน่ล้วจะจะได้สัมผัสกับความสงบ ที่เป็นความสุขที่เนีวกับความสุขทั้งปวงอ่จาจะค่ะโอเค อ, อ, อาเ่าขอบคุณครับอาจารย์สาโเท่าค่ะอ่าคุณหมอสุราธนีเป็นยังไงสงบตลอดเวลาไหมทั้งวันไหมยังไม่ทั้งวันเจ้าค่ะท่นอาจารย์เวลาทํางานยังวุ่นอยู่เหไมไปวุ่นเจ้าค่ะอืมยังก็ยังมีอะไรบ้างเล็กเลกน้อยใช่เจ้าค่ะอืม เวลาทำงานก็อยู่กับเจ้าค่ะอยู่กองงานไปค <ขา S 1> ่ะพอเวลาเลิกงานก็รีบดึงกลับมาเลยเจ้าค่ะท่านพอาจารย์อันดีตมันเป็นอันเด็ดไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันงานที่เราทำมันผ่านไปแล้วให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันทำอย่างนี้ทุกวันเจ้าค่ะท่านพอาจารย์เราจะมีความสุขนะ <ขา S 1> ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มอะไรให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความสงบแล้ว นราพอแล้วมีความพอแล้วเจ้าค่ะนีไม่มีอะไรนะไม่มีเจ้าค่ะขอบคุณค่ะอ่าที่ไปที่คุณหมอโรงเรียนตาเป็นบมอในวันศุกร์จะปาจารย์ยังรักษาสินแปดจนถึงวันนี้ครับอาจารย์ได้สิบเก้าวันแล้วครับอ๋อนี่ตั้งแต่ปีใหม่มาที่ไหนนะในปีใหม่ครับพระอาจารย์อาแต่วมาที่จะตั้งใจว่าจะไปเรื่อยๆเลยครับพระอาจารย์อื ถ้ามันจะขาดก็ต้องมีเหตุมีผลหน่อย้ครับอาจารย์ครับอาจจะช่วงไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแหละครับอาจารย์แต่ผมก็พยายามจะทําให้ได้ตลอดครับอืนเป็นยัไงไงรู้สึกดีไหมดีครับแล้วก็นั่งสมาธิดีขึ้นเยอะเลยครับพระอาจารย์อืมกับมีสติดีขึ้นครับพระอาจารย์อือดีับทำได้มากมากครับพระอาจารย์ครับอืม ก็จะ<ม>ตั้งใจทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพระอาจารย์ลดกิจกรรมอย่างอื่นลงเอาเวลามาให้กับการกสมาธิดีกรับผมก็เหมือนที่เรียนพระอาจารย์ว่าไม่อยากไปงานเลี้ยงเวลาเวลาอย่างสมมติเราไปไปไปไ ป, ไปงานเนี่ยครับพระอาจารย์มผมก็หลบออกมาเลยครับออืไม่อยากอยกู่พูดกับพูดเล่าเรื่องสาร้ทั้านั้นใช่ครับพระอาจารย์แล้วก็กินเหล้ากันเฮฮากันผมว่ามันมันไม่จริงอ่ะครับพระอาจารย์หมายถึงว่า เวลามีเรื่องขึ้นมาก็ไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนกันจะมาช่วยอะไรกันนะครับพระอาจารย์ครับเพื่อนกินเฉยเขาเรียกเพื่อนกินไงครับพระอาจารย์ไม่กินกับเพื่อนเยอะถ้าไม่ไปกินแล้วก็อยู่คนเดียวครับผมคิดว่าอยู่อย่างนี้มีความสุขแล้วครับพระอาจารย์อืมครับดีแล้วแล้วก็อธิบายให้คนอื่นเข้าใจอย่างเช่นว่าเวลาเราต้องรับแขกต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ให้ให้ลูกให้ลองให้ให้ให้น้องเขาให้ลูกน้องไปแทนนะครับพระอาจารย์ ผมก็บอกว่าถ้าตอนเย็ยนมงขอนุญาตนะแต่ว่าถ้ากลางวันมาพบเนี่ยก็เราก็ทําหน้าที่เราเพระตอนเย็นปูติต้องไปเลี้ยงต้องอะไรผมไม่ไปเลยครับพระอาจารย์ผม <lame. S 2> ว่ามันไม่ไม่สะดวกครับบอกว่าผมไม่ได้ดื่มซุนลาไม่ได้อะไรละอรั öğ, ครับครับอเอเงสามารถปฏิเสธได้คนระับปฏิเสธได้แล้วครับพระอาจารย์ออย่างพรุ่งนี้เราไปอบรมหลักสูตรต่างๆว่าตอนเย็ยนเขาจะมี ม, มีมีเลี้ยงกันใช่ไหมครับพระอาจารย์ผมก็ออกเลยครับผมก็กลับอทําบ้าน กับบ้านครับผมคิดว่าถ้ามีอะไรเนี่ยเราช่วยกันดีกว่าอย่างช่วยในฐานะแพทย์เราก็ช่วยได้ช่วยในฐานะข<ม>้าราช ก, การเราก็เราก็<ม>ากทํางานร่วมกันได้มผมคิดว่าตอนหลังผ ม, มผมเห็นชัดเลยว่ามันไม่มันไม่มีประโยชน์เลยครับอาจารย์ช่วยกันมองมาแล้วกันนะครับผมคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยเลยครับตอนหลังเข<ม>้าใจาครับมีแต่โทษจะได้ทไงมีแต่โทษครับ<ม>แล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมคร สิ่งที่ได้มากขึ้นก็คือเรื่องผมวิหารธรรมที่พระอาจารย์บอกว่าเมตตาการให้อภัยการไม่ก่อเวรนะครับอพ อ, อเวลาเรานั่งสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันมันมันชัดขึ้นเรื่อยๆครับรพระอาจารย์เวามีความมีอเบคามากขึ้นเมตตากมีมากขึ้นตามเมตตามากขึ้นครับแต่ก่อนเราว่าเราเป็นหมอก็มีเมตตาละปรากฏว่าพอปฏิบัติธรรมมันมีมากกว่าเดิมครับพระอาจารย์มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมอครับพระอาจารย์มันดีขึ้นครับ ต่อมันก็จะมีเมตตากรุณาเมิตาอเมชาเต็มเ ต, ต็มหัวใจเลยครับครับผมก็ที่สัญญากับอาจารย์อีกข้อนึงก็จะนั่งสมาธิให้มากขึ้นนะครับอืตอนนั้นสัญญาเรื่องพยายามรักษาสิ่งแปดอาทิตย์ละวันพอนั่งได้ครั้งหนึ่งปุ๊บอลองอีกวันพอลองไปลองมาติดใจเลยครับอาจารย์มันดีอยู่กันเยอะเลยครับก็เลยไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนเลยครั บ, รบแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยพยายามมากขึ้นที่เคย ให้สัจจะกับพระอาจารย์ไว้นะครับผมก็ยังนั่งให้มากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งมายิ่งดีครับเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าอาจจะไม่ต้องไปวัดก็ได้ครับพระอาจารย์เพราะว่าผมก็ปิดห้องเงียบๆกลายเป็นที่สงบเท่านั้นไม่มีใครมารบกวนครับครับอาคือวัดของเราคำว่าเจดก็แปลว่าที่สงบนครับพระอาจารย์หรืออยู่ที่ทำงานก็ปิดห้องเงียบๆครับพระอาจารย์ไม่มีใครมารบกวนเราก็ใช้ไนะครับพระอาจารย์ครับก็เลยมากับนวัตสการพระอาจารย์นะครับโอเค ขอให้กำลังใจให้ปพิ่พื้นปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนะครับอาจารย์ครับสาธุขับขอพยายนท้าขแข็งแรงนะครับสาธุะคุณพิสิตต่อคุณพิสิตเชิญส ก, นนกลนครเป็นไงหนาว่าช่วงนี้การวันสถานผูอาจารย์ครับอากาศกาลังจะเย็นลงครับผู้อาจารย์เพิ่มอีกแลวนะมีลมหนาวลงมาอีกแล้วหรอครับครับเริ่มมีลมครับอาจารย์ช่วงนี้ครับว่ามีฝนตามมาหรือเปล่า ไม่มีไม่มีครับอาจารย์ไม่ได้ลเดียวนีมีแต่ลมกับลมลมเย็นๆเนี่ยนะครับอาจารย์เดี๋ยวลงถึงเท่าไหร่ก็ตอนนี้มันอยู่ประมาณสิบหกอยู่ประมาณเนี้ยครับอาจารย์สิบหอยู่นครับที่นี่ค่ยิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามก็อยู่ประมาณนี้ครับอาจารย์สมาธิก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันครับอาจารย์ไม่ได้ขาด สติก็จะรันอยู่เนื่อยๆะอ่าก็ดูก็ดีขึ้นอยู่ครับอาจารย์เพราะว่ามันใสอารมณ์ไปเยอะอยู่มันเราดูแล้วพยายามใช้สติให้มากๆนะอยครับไม่ได้ทําอย่างที่อาจารย์แนะนํานะครับมันก็เลยช้าหน่อยอืมครับมีคําถามจะถามพระอาจารย์นิดหนึ่งที่อาจารย์เคยบอกไว้ในหลายๆหลายๆข่าวนะอาจารย์ว่านั่งให้ถึงจุดเจ็บอาจารย์เพื่ออะไรครับอาจารย์เพื่าจะได้ซ้ำอบ่วยกความเจ็บเนีไย ความเจ็บก็เป็นเงนค่าศึกศัตรูที่มันจะบุกเราตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่ซ้อมฝึกไว้ก่อนเนี่ยว่าเจะความโลภัยไข้เจ็บมันจะทุกข์มันมันจะไม่รู้จักวิธีสู้กับมันไงอืมอืมเข้าจไหมแต่ไปต้องเจอแต่ไปต้องเจอโรบมะเร็งเจะทำไงเมื่มันเจ็บขึ้นมาก็ต้องอาศัยยาใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้จักวิธีสู้กับความเจ็บเนี่ยไม่ต้องใช้ยาใช้ธรรมะใช้สมาธิได้มันก็ไม่ทุกข์ ก็สบายครับแล้วในเรื่องสมา ธ, เมาธิเรื่องสมาธิมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างครับอาจารย์ช่วยได้ทุกเรื่องเลมันจะทุกข์อะไเข้าสมาธิได้ความทุกข์หาย ห, หมดเลยเป็นแ่องปัญหาชั่วคราวนั่นเองไอตัวไอตัวที่เจ็บมันช่วยในเรื่องสมาธิอะไรได้บ้างหมอาจารย์อ๋อตัวที่เจ็บมันมันมันเป็นตัวมันเป็นตัวเตือนรเราไว่าต่อไป ร, ร, ร่างกายจะต้องเจ็บ ถ้าราไม่รีบหาที่พึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเวลาเจ็บมันมาแล้วเราไม่มันจะไม่มีที่พึ่งอ๋อครับที่พึ่งสุดก็มีสองงานหนึ่งไม่ใช่ไม่สมาธิกับปัญญาแต่ก่อนจะไปปัญญาได้มันต้องผ่านสมาธิก่อ น, นเวลาเจ็บนี้เราต้องให้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธให้จิตมันสงบพอจิตสงบแล้วนนะ จ, จิตก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บอ่ ตอนเป็นเนลนน้อยผมเคยทําครูเพราะพระนั่งสมาธิครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านั่งทีแรกมันก็จะเจ็บอย่างนั้นแหละท่านบอกว่าให้ดูให้ดีๆว่าใครเป็นคนเจ็บเราเป็นคนเจ็บหรือใครเป็นคนเจ็บเป็แน่ท่านว่าอย่างนี้ครับเออแต่พอดูดูดีๆจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรเลยกายเราไปเกาะไปยึดอยู่กับไอจิตจิตไปเกาะยึดอยู่กับอาการของกายนะครับพอคลายอารมณ์จนได้มันก็หายไม่มีอะไรตอนแรกก็แยากายกับจิตไปจิตไม่ใช่เป็นกายกายไม่ใช่เป็นจิต ก, า ย, กายเจ็บจิตไม่ได้เจ็บไปกับกายนีย่นั่นจิตอย่าไปทุกข์กับกายอยังไปทุกข์ ก, ยยกขับความเจ็บแต่ถ้า<ะ>ไม่เจอความเจ็บมันก็จะไม่รู้จักแยกเนี่ยมันก็นั่งไปเจอให้เจอความเจ็บแล้วก็ใช้ความเจ็บนี้มาเป็นตัวกระตุ้นให้เราแยกแยกใจออกจากกายอีกที่หนึ่งอืมครับมีเรื่องเรื่องสอบถามอาจารย์แค่นี้ครับอาจารย์กลั บ, บอาจารย์ที่มาทำอะไรจำแนกว่าเจอให้เจอความเจ็บให้ได้ ก็เพื่อให้จะได้ผ่านความเจ็บไปได้ครับแล้วต่อไปเวลาเจ็บทางโรคภัยแค่เจ็บเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนรู้จักวิธีปฏิบัติอาการเจอบปวดอาการพองการเจ็บป่วยน้อยจันเนาะอ่าใช่เฉยๆถี่มันเป็นเรื่องธรรมดาหมอฉีดยาหมอทําอะไรก็เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนครับกราบขอพู้คุณพู้อาจารย์ครับเราต้องซ้อมซ้อมซ้อมเจ็บไว้ก่อนที่จะไปเจอเจ็บจริงเนี่ย S <S <S เจ็บนี่เจ็บที่เราเจ็บจากการนั่ง็นงานเป็นจิตเป็นเจ็บเจ็บแบบชั่วคราวที่เรายังควบคุมได้คือถ้าไม่อยากจะเจอมันเราก็ลุกขึ้นได้ใช่ไหมแต่ถ้าบบเวลาเจอเจ็บจริงนี่มันจะลุกจะนอนจะอะไรมันมันไม่ม ไ, มมไม่หายอะ่ะได้ทาไงเราใช้ธรรมะใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้สติใช้แยกใจแยกกายอะไรเงี้มันก็นจะได้ไม่ทุกข์อครับครับครับ แต่ต้องมีมีกำลังสู้นะทําให้มีกําลังสู้ก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวพอเจ็บเจ็บได้แค่เดียวสองสามนาทีก็เลิกแนละ้วยอมแพ้ก่อนนะมวนเสือก่อนม้วนเสืก่อนมันต้องม้วนเสือก่อนไมหมล่ะพี่กว่าจะเด็ดขาดได้มันก็ต้องม้วนเสือกัอนก่อนนะอาจ า, ายรย์อย่าเพิ่งถอยอใช้พุทโธพุทโธถ้ายังแยกด้วยปัญญาไม่ได้ใช้พุโทโธพุโทโธก่อ น, อนท่องบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับการเจ็บ แล้วเดี๋ยวความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสของเรามันก็จะหยุดมันก็จะหยุดได้หยุดย ด, ด้วยพุทโธได้ความเจ็บยังอยู่แต่ใจเราไม่ทุกข์กับมันแล้วทาใจเราหยุดกิเลสได้หยุดความอยากให้มันความเจ็บหายไปได้มันใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายนะนะต้องต้องพร้อมเนอะต้องมีต้องมีกําลังสู้ต้องสติดีดพอ ยี่จะสามารถ บ, บริการพุทธอสู้กับมันไปถ้าไม่มีกําลังบริการมันก็สู้ไม่ไหวมันจะคิดจะถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียวไม่เอาดีกว่าต้องข่มมันด้วยแม่ดับยัดบางทีก็ต้องสู้กับมันว่าอ่าสอนลุกไปในใจสู้ตายสู้ตายอยนนจนได้บางทีเ่าทุกคนจะต้องเจอความเจ็บด้วยกันท่านนะถ้าไม่ไม่ผ่านความเจ็บมันก็ไม่มันก็ติดอยู่แล้วน่ะ มันต้องผ่านด้สติหรือผ่านด้วยปัญญาอันต้นต้องผ่านด้สติก่อนพุทโธพุทโธอันที่สองก็ใช้ปัญญาแยกแยะกายกับใจใจไม่ได้เป็นกายกายไม่ได้เป็นใจกายเจ็บใจไม่เจ็บะใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเจ็บของกายอยู่เฉยๆถ้านก็จบอยู่เฉยได้มันก็จบอืมครับพระอาจารย์ครับอนี่มันไม่เฉยเลยใช่ไหมเจ็บเป็นอย่างจมัหายเลยมันไปกับเขาหรือไปก ไม่มี<า>สติสตางไม่มีปัญญา ค, คิดเลยคิดยังไงก็คิดไม่เป็นครับใช่ครับพอพราะไม่ซ้อมมาก่อนเราซ้อมไปเร่อยๆต่อไปเราเจอความเจ็บเราจะรู้วิธีปฏิบัติถ้าไม่ใช่สติก็ใช้ปัญญาได้เลยอืมโอเคนะครับกราบขอบพระคุณครั บ, รบอาจารย์คุณคุณเสียวมี ค, คุณคุณนิง เอ็นงสองตัวนั่นนอนแล้วเหรอหลับแล้วค่วนะพระอาจารย์พรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะค่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนค่ะแล้วก็เตรียมซื้อขนมปั ง, งไปทีวปังแล้วก็นะำก็ดีนะร้สึกเขาเขาโตขึ้นมาเรียบร้อยขึ้ น, ล น, นแล้วนะค่ะพระอาจารู้เรื่องขึ้นค่ะสงบเงียบทีนี<า>นนะ่ไม่ส่งเสียงวยวายไม่เกินไหวอะไรค่ะแต่แต่อย่าง่ากก็นอนลงไปเลย เขาบอกว่านอนปะเขาบอกว่านอนฟังก่อนปอปอปว่าอาจารย์สิ้นเสียงอาจารย์เขาก็ลุกปุ๊บปั๊บขึ้นมาเขาก็มานั่งนะคะเขาก็มานั่งอ่านั่งสมาธิเขาเขาก็มานั่งค่ะสมาธิผกว่าไม่ได้นั่งสมาธิเท่ากับมองมองนู่นมองนี่เขาก็นั่งเฉเยๆของเขาอ่ะได้ครับอาจารย์ดีก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรเขาเป็นพรเราฝึกเขาเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่ฝึกเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกอ่าใจอาจารย์ <อ>เดินนี่เดง่ายผู้ใหญ่่ตแตดูเข้าใจเลยครับว่าเด็กอนี่ยจริงๆแล้วเขาบริสุทธิ์ข้างนอกเขาอาจจะถุกกลิตบางทีเขาอาจจะสงบมากกว่าเราก็ได้ไม่ห อ, อนดัดง่ายไม่แข็งดัดยากนะอ่าแต่ผู้ใหญ่เหมือนสงบแต่ฟุมสร้างมากเลยครับอาอันนี้อันนี้เข้าใจเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือ เราไม่ได้คาดหวังตอนแรกไม่คาดหวังว่าเขาจะนั่งพอคิดได้เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาก็สบายๆเลยค่ะอาจารย์เขาตั้งฟังได้ตลอดชั่วโมงเลยนะตั้งขณะนั่งสมาธิก็ว่านั่งด้วยไหมค่ะเขาก็นั่งด้วยเขาก็นั่งไปไปของเขาคนโตเขาก็คนตัวสเงียบดีนิ่งดีนะคนโตนี้ค่ะคนโตจะนิ่งจะนิ่งเงียบสบายเขาไปเลยก็จะไม่อะไร มีแต่คนเล็กที่แบบยังไอ้นี่อยู่ค่ะพระอาจารย์ถึงว่าดีขึ้นเยอะดีดีขึ้นมากเลยจะได้จะรู้เรื่องเก็บแต่คุณตูนจะถามตลอดว่าไปวัดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันเสาร์อะค่ะอออืมเก็จะไม่ได้แบบว่าจะไปไหนก็แย่างแค่ว่ารู้ว่าวันเสาร์ต้องไปวันเดอเราก็วันพฤหคสเขาก็จับแจกันอะไรอย่างเงี้ยก็สอดเขาอะค่ะพระอาจารย์เขาก็โอเคแล้วท ตามที่เราบบกแล้วก็ตั้งหินท่แล้วก็สมูตสาอะไรของเขาไปอะค่ะ<ม>คนเออน ด, ด, เดียวกันถ้าําเน็ตไดดีดาวไปม่นจะค่อยค่อยหายไป้วอิทีิพลทางโลกมันจะเข้ามามากขึ้ น, นเรื่อยๆแ่สมัยนี้บางคนไม่รู้เรื่องเลยใส่บบกใส่บาทใส่ยังไงก็ไม่รู้รอ่าจริงก็ต้องพาพาเขาเข้ากักนค่ะอาจารย์หนุมก้อนหน่อย่าแต่ก็ต้องต้องไม่พาไปตลอดนะคะอาจากย์เพราะว่า ไม่ได้มีอะไรป้อหนูก็ตั้งใจแล้วอืพอโตขึ้นมาเขาก็เริ่มเริ่มสมุกแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ไม่ได้อยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรมากมายนะคะอาจารย์นิดนหน่อยหนูก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำบุญไม่อยากคความสุขจากการทําบุญนี่มันวิเศษกว่าความสุขจากการไปเที่ยวอ่าใช่ค่พะพอาจารย์ก็ก็เหมือนกับตัวตัวหนู ตัวเราเองค่ะค่ะป้าจานก็เหมือนกับสบายขึ้นเยอะเหมือนใจสบายขึ้นเยอะเบาขึ้นเยอะอ่ะไม้จะเจอปัญหาหะอะไรต่างๆ่ปล่อยวางยากไม่ได้ก็ปล่อยวางเดี๋ยวมันก็แก้โฮมไปเองค่ะป้าจานตัวนี้ครับก็ช่างมันเออขายไปเลยอ่ะก็ก็ช่างมันอะไรอย่างเ ง, งี้ยค่ะป้าจานก็ไปไปล่อยทำอะไรไม่ได้จะไปไปเดินร่อเงันทำไมล่ะค่ะป้าจานแล้วก็อ๋อไม่ว่าจะเป็นกาย หรือใจอเจ็บบางกีโู้ดังไปก็เจ็บปวดอ้าเอาใจไปใส่มันทำไมบางทีก็คิดนะคะอาจนรยนพอไม่ได้เอาใจไปใส่ื็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมันก็ผ่านไปอะค่ะพร ะ, าะอาจารย์ได้ได้อะไรหลายๆอย่างจากกิจการธรรมิที่นี่ด้วยอะค่ะพระอาจารย์ก็ฟังไปก็บางคีเหมือนที่ที่เขาบอกว่าบาีตอนเล็ก่ก็ เมื่อเราโอ้มันไม่ไหวอะไรอย่างนี้แต่ทุกคนจริงๆแล้วว่าใจเรามากกว่าที่มันไม่ไหวว่านะคะพระอาจารย์อืมมันมันมันทุกข์ที่ใจความทุกข์ใจนี่มันรุนแรงกว่าความทุกข์ของทางร่างกายใช่ค่ะพระอาจารย์ทุกมากครือเขาจริงๆแล้วใจนี่มันทุกมากจริงๆเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเ้วความทุกข์ใจนี่เหลือนิดเดียวค่ะค่ะ อาจารย์ใช่เลยค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะดูก็อาจารย์แล้วก็จะได้ไปเรื่อยๆรักษาพะอาจารย์ย่าดี้นะสาธุแต่ทิ้งทําปฏิบัติไปเรื่อยๆหลายปีแล้วไม่ใช่เข้ามาห้องนี้กี่ปีแล้วตั้งแต่โควิดเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกตอนนี้ค่ะตั้งแต่โควิดอ่านสี่ปีแล้วได้อะไรเยอะไปปฏิบัติต่ออ่ากมรี ใช่คุณบาลีเป็นยังไงกลับหลวงพ่อค่ะมีอะไรามาไหมมารายงานไ่ยก็พอมีบ้างค่ะหลวงพ่อโอ้โหลวงพ่อค่ะก็หนูก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพอ่อแล้วก็เน้นฝึกสติให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็พอพอสติมือกำลังเพิ่มมากขึ้นน่จิตนมันตั้งมั่นแล้วมันเป็นสมาธิ แล้วมันก็ทันเห็นความคิดเห็นอาการเห็นอารมณ์ทุกอย่างที่เข้ามาท่ะหลวงพ่ อ, <S <S อแล้วก็มันก็มีกําลังในการที่เราจะไม่ออกไปเล่นกับความคิดหรือว่าไปปรุงไปแต่งหรือว่าเอออย่างอารมณ์โกรธอารมณ์มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูไม่ไม่กระโดดเข้าไปเล่นพอไม่กระโดดเข้าไปเล่นเนี่ยใจอ่ะมันก็จะตั้งมั่นอยู่อยู่ในจิตอย่างเงี้ยท่ะหลวงพ่อแล้วทุกอ่ะ ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในทุกอันนี้ได้านมพอ่อคือตอนเนี้หนูมีความรูม้สึกว่าหนูสัตว์อะไรได้ไหลายๆอย่างเรื่องความทุกข์อะไรเงี้ยในใจอะขนมพ่อเหมือนมันตบล็อกออกไปได้เยอะมากๆเลยานมพอ่อแล้วก็ไม่ไม่ไปรับอาการทุกสิ่งอย่างที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แบบเนี้ยานมพอ่อติ ข้างในมันก็เลยมันมีความสงบอยู่ข้างในใจค่ะขนมฟอแล้วมันเหมือนมองไปทางไหนมันก็ไม่ไม่ทุกข์แล้วว่แล้ววันนี้ยที่หนูเห็นธรรมะล่าสุดก็คืออยู่ๆหนูก็เข้าใจเข้าใจคําว่าจิตอิสระค่ะขนมฟคือมันอิสระจากความคิดมันไม่นิ่งไปตามความคิดเพราะว่าถ้าถ้าหนูวิ่งไปตามความคิดวิ่งไปตามอารมณ์เนี้ยหนูเหนื่อย แล้วมันก็เป็นเพลสค่ะหลวงพ่อพอพอไม่ว <ponto> <OS> ิ่งไปตามอารมณ์หรือความเอ่อความคิดอะไรตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อติดอ่างมันเบาเบาขึ้นนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะหลวงพ่อปล่อยวางรับรู้เฉยๆค่ะค่ะหลวงพ่อสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารับรู้เฉยๆไปไม่ได้ไปยุ่งกับมัน่ะไปคุยกับมันก็เหนื่อยบ่างบางทีไปแจ้งไปแจ้งอะไรมัน มันเอาไปแจ้งไปแจ้งมันธรรมาชาติมันเป็นอย่างนี้ก็รับรู้ตามความเป็นจริงไปก็จบไม่ไม่ต้องไปต่อไปเติมไม่แก้ไม่อะไรใช่มันดินฟ้าอากาศเราไม่ต้องไปต่อเติมผลมันจะตกก็ปล่อมันตกไปแดดมันจะออกก็มันจะเริร่ม เ, เห็นอนัตาตาแนละ้วถ้าเราปล่ปอยวางแบบนี้มันแบบธรรมะอนัตตาถ้าเหรอเหมือนหนูาาเห็นหนู เหมือนทําให้หนวเข้าใจว่าอ๋อไอที่ว่าพูดกันเกิดดับเกิดดับอ่ะมันก็เท่ากับว่าหนูเห็นไอความคิดที่มันเข้ามาใช่ไหมคะหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นการเกิดดับเกิดดับคิดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เรื่องใหม่เข้ามาคิดใหม่ใช่ไหะหพอนูเห็นแบบเนี้ถูกถูกแล้วนะครัูแล้วเห็นแล้วปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันให้รับรู้เฉยเฉยค่ะค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอไม่เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับอไอ้สิ่งที่มันเข้ามาแบบนี้เขาวงพ่อใจอะ่ะมันเบ า, ม, เบามันไม่ทุกข์ด้วยนะคะใช่แล้วต่อไปมันก็จะไม่ค่อยคิดอะไรเลยมันจะเป็นรู้เฉยเฉยส่วนใหญ่คแล้วให้หนูทำแบบนี้เรื่อยๆไปใช่ไหคะใก็ภาวนาปฏิบัตินั่นะำใจให้ว่าง <ขอ S 2> ให้ใส่ใจ <ขอ S 2> ว่าง<อ>รู้ไปค่ะหลวงพ่อหนูหนูเห็นวันนี้ อยู่ๆก็เห็นโพ้งขึ้นมาแบบแล้วข้างในอ่ะมันมันสุขใจด้วยนะคะหลวงพ่อใช่มันเบาเป็นสบายมันไม่เป็นแบกเข้าใจไหมเมื่อก่อนเราเป็นแบกความคิดเราพยายามจะไปแก้แก้สิ่งนู้นแก้สิ่งนี้ตามความคิดของเราแก้มันก็เท่านั้นเนียเวลาแก้ได้ก็ดีใจเวลาแก้ไม่ได้ก็เสียใจไม่ต้องไปแก้อะไรให้รู้เฉยๆว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ย มีขึ้นมีลงมีดีมีชัว่วมีสุขมีทุก ข, ข์ของมันไปสลับกันไป อ, นอันนี้จา ง, จงไม่เที่ยมหน้า ต, ตารเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้รเราไปแบ่มันเองเราไป่แบ่โลกนะอยากจะให้โลกดีอยากจะให้คนบนเพราะว่าวันนี้โลกนี้วุ่นวายไม่เคยก็อยากจะให้โลกมันดีมันมันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของเรานี้มันโลกของของของความไม่ดีทั้งนั้นกิเลสทั้งนั้นะโลกโลกนี้ที่เราอยู่กันเนี้ย มันเป็นความอยากของเราที่เราต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เราอยากให้มันเกิดภาวะตันหาวิภาวะตันหาขึ้นมาภาวะตันหาก็อยากให้มันเป็นอยากให้มันดีวิภาวะตันหาก็อยากให้มันความไม่ดีต่างๆหายไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อไม่เข้าใจความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมดีดีชั่วสุขทุกข์มันมีมาคู่กับโลกที่มาตั้งแต่ไหนแล้วค่ะหลวงพ่อ แล้วแล้วที่มันไม่ทุกข์อะค่ะหลวงพ่อมัน ม, แบบมันเราปล่อยวางแล้วเราไม่เป็นแบกมันเราไม่ไปไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ไปมันเป็นอย่างนี้ไปก็คือเราไม่สามารถไปแก้ไขสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นได้ใช่ไหมคะส่วนใหญาส่นใหญ่ก็มีบางส่วนเราแก้ได้เราแก้ไปอันนั้นที่เราแก้ได้กาแก้ไปอันนั้นที่แก้ไม่ได้ก็ยกให้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปหอ่ พยายามไปแก้มัใ<ช>มนในสิ่งที่แก้ไม่ได้มันก็เหนื่อยใช่ไหมใช่ค่ะไปเปลี่ยนมะละกอให้เป็นกล้วยมันเหนื่อยหมใช่มันเหนื่อยมากค่ะอะนะเราปล่อยอให้มะละกอมันมะละกอไปอย่าไปอยากให้ก็เป็นกล้วยใช่ค่ะแต่วันนี้ก็พอเห็นพ่อทำ完了แล้วก็โล่งใจเบาใจซคุณพ่ อ, อ<า> ใจจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปนู่นไปคิดอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องมายุ่งกับมันไอ้อย่างมากก็หยุดมันเสียท่านู่นมันคิดไม่ดีก็หยุดมันเสียอย่าไปคิดเยอะข้าหลวงพ่อไอ้พุโทโธพูดโทโธพุโทโธก็ได้ข้ okay. าโอเคถามท่านี้ก่อนนะอ่าขอบคุณหลวงพ่อมากมค่ะโอเคอ่าปอนมีคําถามหไหมวันนี้ แล้วเอาคุณหากลับหลวงพ่อกับพี่ลาครับผมนันพีลานั่นน่พี่ลาจำเพลินวลามีคําถามไหมกรับนมัสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทาง facebook และ youtube เจ้าค่ะอ่าเชิญว่ามาเลยกรับนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าพ่อแม่ทําไม่ดีกับลูกลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่ได้ไหมครับไม่เป็นบาปใช่ไหมครับไม่ได้เราต้องเลี้ยงพ่อแม่ดีช่วยไงก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ เราต้องแยกออกเรื่องดีชั่วนี่เป็นเรื่องของเขาเรื่องเราของเราคือเรามี right. หนี <rec Keeping S 2> <hr> ้เราเป็นหนี <c oughs> ้พ่อแม่เข้าใจไหมอย่าไปอ้างว่าพ่อแม่ไม่ดีแล้วเราไม่ต้องใช้หนี้ไม่ได้หรอกเหมือนไปกู้ธนาคารแล้วไปบอธนาคารไม่ดีไม่ต้องใช้เงินธนาคารก็ไม่ได้หรอกนีมันคนละเรื่องกันพ่อแม่ดีชั่วเป็นเรื่องของเขาเพรางมีกิเลสมันเราบางทีก็อาจพลาดทางทำตามกิเลสได้แต่ความดีของเขาคือ บุญคของเขาที่เขามีกับเรานี่มันไม่ได้หายไปเพราะเขาดีหรือชื่วหรอกเข้าใจไหมเมื่อเราถึงเวลาที่เขานอน เ, เ, เราต้องดูแลช่วยเหลือเขาเราต้องดูแลช่วยเหลือเขาไม่ไปนสนใจถึงแม้เขาไปติดคุกแล้วก็ต้องตามไปเรื่องเขาในคุกนะตามไปดูแลเขาในคุกถาต่อไปถ้าคิดไม่ดีแต่ยังไม่กระทําออกมายังไม่บาปใช่ไหมครับ ไม่วาแต่มันก็เป็นมันก็เป็นทุกข์อ่ะคิดไม่ดีก็ทำให้ใจไม่สบายงั้นหยุดคิดดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณธนาดอนหลงเขากับหลงตนอันไหนอันตรายกว่ากันครับก็ทั้งคู่แหละมันกนีพอกันเลยคำถามสุดท้ายจากคุณศรีวิไลกราบเรียนถามค่ะ ขอความกระจ่างเรื่องอาศัยตันหาละปัญหาด้วยค่ะอาศัยตันหาละปัญหาปัญหาละด้วยตันหาไม่ได้หรอกปัญหาปัญหาต้องละด้วยธรรมด้วยด้วยปัญญาตันหามันเป็นกิเลสนี่งจะเอาตันหามาแก้มันยิ่งวุ่นวายยใหญ่มันไม่มีวันสิ้นสุดอะทุกวันนี้ถ้าเรกเรามีปัญหากะเพราะเราใช้ตันหามาแก้กันมันไม่ใช้ปัญญา เพราะฉะนั้นเราใช้ปัญญาใช้พิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็พยายามระ ง, งําเหตุที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นทำหมดแล้วใ <มา S 2> ช่รับนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรใ่เวลาสนหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายยังมีแต่ความสุขความเจริญเอวสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัต แล้วความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ